อาจารย์ครับการรำพลการครับผมเจริญพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านรวมทั้งคุณหมอด้วยครับการรำพลการครับพระอาจารย์พระอาจารย์ครับวันนี้เดินมิถุนบาทคนเยอะไหมครับผมก็สี่ร้อยเจ็ดสี่สี่ร้อยเก้าสี่อวันนี้แยกกันวันนี้วันวันอาทิตย์วันเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกวันวันพระพรุ่งนี้วันพล้ากวันหนึ่งอย่างวันเคยธรรมดาวัน ชาวเทศก็วันพรนี้ต้องขึ้นไปสามร้อยขึ้นไปครับทำนั้าวันธรรมดาก็ประมาณสามร้อยครับผมแล้ววันนี้พระอาจารย์เทศไปกี่รอบแล้วครับผมีก็ช่วงกลางวันก็ตอบถามคําถามภาษาอังกฤษช่ครับแล้วก็ช่วงบ่ายสองก็เทศธรรมะที่น่าบุตินะครับมาตอนนี้ก็มาสนทนาธรรมกับคุณหมอรับสามรอบ อาจารย์ไม่เหนื่อยนะครับเขาไม่เหนื่อยล่ะมันไม่ได้ออกกำลังกายมันใช้ยวาจาครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้ผมตั้งหัวข้อเรื่องสวรสดในอกนรกในใจเพราะว่ามีหลายคนครับออยากรู้มากเลยครับสวัส์มีจริงไหมนรกมีจริงหรือเปล่าวางคนบอกสวรรค์อยู่ในแต่ในอกนรกในใจอย่างนี้ครับวันนี้ก็เลยขออยากขอปัญญาจากพระอาจารย์เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องสวรค์นรกด้วยครับพระอาจารย์ครับกลับบอกว่มตตาคัด ก็ต้องแปลความหมายของคําว่านรกและสวรรค์ตามหลักศาสนาสวรรค์ก็คือความสุขใจที่เกิดจากการทําความดีต่างๆความทุกข์นรกก็คือความทุกข์ใจที่เกิดจากการกระทําบาปต่างๆนนเเวลาใจเราสุขใจเราก็มีเหมือนกับอยู่บนสวรรค์สวรรค์นี่ก็เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับแดน แดนในระมิดครับแดนในระมิดเช่นตอนที่เรานอนหลับเนี่ยถ้าเรามีบุญเนี่ยเราจะฝันดีฝันเรื่องราดีๆต่างๆเพราะว่าการทำความดีของเรานี้จะัจะบันทึกข้อมูลดีๆไว้ในใจที่เป็นความสุขแล้วพอนอนนอนหลับสมขันสัญญามันก็จะมาทําหน้าที่เอาเรื่องดีๆอันนี้มาปรุงแต่ง เป็นเรื่องราวที่ทําให้เราเกิดความสุขใจในช่วงที่เราฝันแล้วส่วนเวลาถ้าเราทําบาปเราก็จะบันทึกแต่เรื่องราวที่หดร้ายทําเรื่องราวที่สร้างความทุกข์ต่างๆพอเวลานอนหลับมันก็ยาวข้อมูลที่เป็นทุกข์เหล่านี้มาปรุงแต่งมาในระลึกกลายเป็นเรื่องราวนะที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจ ในหลกักคลักษณะสวรรค์นรกตอนที่เราไม่มีร่างกายก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยตอนที่เรานอนหอลับสังขารสัญญามันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันอยู่กับจิตมันก็จะเอาเรื่องราวที่มันจดจําที่มันฝังอยู่ในใจเอามาปรุงแต่งด้วยสังขารสังขารเป็นตัวคิดปรุงแต่งสัญญาเป็นตัวจําได้ความจำํำต่างๆของตัวนี้ก็เหมือนกับจะเอา เหตุการณ์ที่มีบันทึกไว้ในใจถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องราวที่ดีมีความสุขมันก็จะเอาเรื่องราวที่ดีมีความสุขมาปรุงแต่งมาในรมิตให้เกิดเรื่องราวที่ดีที่มีความสุขที่เราเรียกว่าฝันดีแลวเวลาที่ถ้าเกิดเราไปทำบาปไว้มากกว่าบุญมันก็จะเอาข้อมูลที่ที่เกิดจากการทำบาปมาะสมครุงแต่งมานรมิตใหม่ มันก็จะกลายเป็นเรื่องราที่หวาดเสียวหวาดกัวเวลาวุ่นวายใจต่างๆอันนี้แหละคือนรกและสวรรค์คือสภาพจิตใจของของพู้ของของแต่ละดวงจิตดวงใจที่เกิดจากการทําบุญและทำบาปบุญบาปนี้ก็อยู่ที่ว่าฝ่ายไหนมีกําลังมากกว่าถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะเป็นผู้ให้ ให้เรื่องราวที่ดีต่อสัญญาสำคาญมาปุ่มแต่งถ้าบาปมีมากกว่าบุญบาปพระเจ้าเรื่องราวไม่ดีมาให้สัญญาสำคาญปุ่มแต่งในระเบิดขึ้นมานขณะที่เราตายไปก็เนี่เป็นการทํางานของสัญญาสำคัญ <c oughs> สัญญาก็จะเลือกแบบเรื่องที่มันเคยจดจําไว้ทําอะไรไว้มันก็จด จ, จดจดจดจำเรนั้นถ้าไปมีเรื่องมีราวไม่มี การาระทาความไม่ดีต่ตางๆมันก็จะจำในเรื่องราวต่างาแล้วก็เอามาปลุกแต่สร้างเรื่องรางที่หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวต่ตางๆขึ้นมาให้กับใจ น, นี่คือช่วงที่ร่างกายไม่มีแล้วใจใจรอเวลาที่จะไปรับร่างกายใหม่ก็ต้องรอให้กำลังของบาปไม่บุญ น, นี้หมดหมดก่อนล้วช่วงนั้นใจก็จะอยู่ ระหว่างกายมันอยู่ระหว่างบุญกับบาป บ, บุญก็ไม่สามารถผลิตความฝันที่ดีให้ได้บาปก็ไม่สามารถผลิตความฝันที่ไม่ดีให้ได้เชะวงนั้นก็อยู่ในช่วงแบบไม่มีฝันแล้วก็รอเวลาได้่างกายมาพอได้นาำกายมาพอคลอามาจากท้องแม่ก็ตื่นขึ้นมาเป็นการหลับแบบแบบเปลี่ยนร่างกาย เวลาตายนี่คำจริงก็เป็นการเปลี่ยนร่างกายดีๆนี่แต่เราไม่รู้กันเอาคิดว่าเราตายกับร่างกายนะครับจริงเราไม่เราไม่ตายเราเปลี่ยนร่างกายใหม่เราไปรับร่างกายใหม่ทีนี้ร่างร่างกายใหม่นี่มันจะอยู่ที่ไหนเราไม่รู้สิอยู่ทวีปไหนอยู่อยู่ดาวดวงไหนก็ไม่รู้อาจจะมีดาวดวงที่มีมนุษย์บนดาวดวงนี้ก็ได้แล้วเมื่อดาวดวงนี้ไม่มีที่ให้เราเกิดเราก็อาจจะไปจับไว่เ ที่เกิดในดาวดวงใหม่ก็ได้ถึงดาวดวงใหม่มนุษย์ที่อยู่ในดาวดวงใหม่อาจจะก้าวหน้าจเจริญกว่าดาวของมนุษย์ในในโลกนี้ก็ได้หรืจะล้าหลังกว่าก็ได้รู้ไหมเพราะแต่ละแต่ละว่าแต่ละซรียลสเตชันนี้ก็มีการพัฒนาของเขาอาจจะกลับไปเกิดในยอบยุคไดโนเสาร์ก็ได้อาจจะไปเกิดในยุคจรวดที่เจริญกว่าที่โลกเราเป็นอยู่ก็ได้ไม่มีใครรู ครับผมแสดงว่ามีดาวอีกหลายดวงที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ที่แน่ๆก็คือมีทุกข์ทั้งนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ก็เหมือนกันเพราะว่าทุกข์มันอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของมนุษย์มันอยู่ที่ใจใจนี่แหละเป็นผู้สร้างความทุกข์ใจไปเกิดที่ไหนมันก็เอาความทุกข์ติดตัวไปได้เพราะความทุกข์เกิดจากความอยากอยากได้ดูสิ่งกินลดอยากได้รับรับลดสารเสริญมสุขเหมือนกันทุกคน เวลาได้ก็มีความสุขเวลาเสียก็กลาความทุกข์ขึ้นมาครับอาจารย์ครับแล้วอย่างช่วงเวลาที่เราหลับไประหว่างที่เรารอเปลี่ยนร่างอย่างเงี้ยครับมันจะยาวนานเหมือนกับที่เขาบอกไหมครับว่าเอ่อบางคนก็เป็นร้อยปีเป็นพันปีอะไรไปเลยอย่างเงี้ยครับ ก, นะก็น่าจะเป็นไปได้เพราะคุณหมอดูปริมาณของโดวงญญาที่รอรรับร่างกายใหม่ครับปริมาณของร่างกายใหม่ที่ที่จะมีวัฏ ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่มีการเจริญทางวิทยาศาสตร์รก็รู้จักวิธีคุมกําเนิดกันครับการผลิตมนุษย์ก็น้อยลงนะไม่เหมือนยุคก่อนก่อนหน้านั้นยุคปุรยตายายแล้วนี้ครอบครัวหนึ่งมีลูกเจ็ดแปดคนแปดเก้าคนสิบคนก็มีอตยุคนี้มีแค่คนเดียวสองคนหรือบางทีไม่มีกันก็มีบางทีไม่แต่งงานกันถ้อ แ, แต่งงานกันก็มีการคุมกําเนิดไม่ต้องการ ม, มีลูก ว่ามันมีปัญหาเรื่องทางเศรษฐกิจมีลูกคนอย่างนี้มันต้องเสียเงินในรูปเป็นเป็นล้านครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้การเกิดของมนุษย์นี้มีปริมาณ น, น้อยลงครับใช่ครับยุค น, น้อยลงแนละ้วก็เหมือนกับนักศึกษาที่เราสอบเข้าเอานเน็นทันมาอะไรก็มีจํานวนจำกัดนะนักศึกษาทีค่คนที่มาสมัครสอบมันก็มีเยอะ ครอบนี้ไม่ผ่านก็ต้องรอรอบหน้าทำเรานี้ครับอาจารย์ครับผมยังสงสัยอีกนิดเดียวครับว่าแล้วแล้วแต่ละดวงวิญญาณในตอนที่เราหลับรอเปลี่ยนร่างเนี่ยครับมีปฏิสัมพันธ์กันได้บ้างไหมครับอดวงวิญญาณมันไม่ติดต่อครันอกจากพวกที่มีมีมีอภิญญาเนี่ยก็จะเป็นไปได้อภิญญานี่ยเขาสามารถติดต่อกันได้ครับ จะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายเขาก็ติดตอ่อกันได้เพราะเขามันไม่ต้องใช้ร่างกายในการติดตอ่อใช้อุปจารสมาธิครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าทุกคนก็มีฝันของใครของเขาเลยใช่ไหมครับ่โรคใครโรคมันไปโรคเขาโรคมันไปอย่างนั้นไม่ได้ไปติดต่อกับดวงวิญญาณดวงนั้นดวงนี้นนนครับเป็นเหมือนตอนที่เรานอนหลับฝันเะนี่ยครับเพราะไม่ได้ไปติดต่อกับใคร ตเราฝันหนึ่งเรื่องคนนั้น เ, เรื่องคนนี้เรื่องเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากการจในเราไม่ไม่จินตนากา ร, รปลูแต่งของของสังขารสัญญานี่สัญญาสังขารครับผมกระลับชัดเลยครับทําทําบุญไว้ทีแต่ทาบาปเนี่ยทาบาปแล้วมันจะฝันร้ายครับทําบุญแล้วมันจะฝันดีเพราะว่าความฝันนี้มัน เวลาเราฝันเราไม่รู้ว่าเราฝันนะเชื่อคิดว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงใช่ครับต่มันรู้สึกตัวเมื่อตอนตื่นขึ้นมาโอ้ยเมื่อกี้ฝันดีเนอะเมื่อกี้โอฝันได้บางทีร่างกายเหงื่อแตกคลาดก็มีถ้าไปฝันเหตุการณ์ที่โหดร้ายทารุณอะไรก็ขึ้นมาเย พระอาจารย์ครับอย่างนี้คนที่เข้าใจอย่างอย่างที่พระอาจารย์เล่าว่าเอการตายจริงๆไม่ได้ตายเลยแค่แค่เปลี่ยนสภาพไปแล้วทั้งชีวิตเขาทำบุญมาโดยตลอดนี้ก็ไม่ข้างหน้าก็ไม่ได้มีความน่ากลัวเลยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่น่ากลัวตรงที่ต้องไปเกิดใหม่คนั่นเองครับเพราะเมืเกิดมันก็ต้องมาเจอกับทุกข์ของร่างกายทุกข์ของการดิน้นรนเพื่อดิ้นรนทุกการอยู่รอดอย่างวันนี้เทศว่าพอเกิดมาก็ทุกข์เลยตั้งแต่ พ่อคอมาจากท้องแม่ต้องหายใจเองครับแล้วก็ต้องหาน้ําต้องกินน้ำนํำดื่มน้ํำดื่มอาหารใดไปแล้วก็ต้องมีปัจจัยสี่มาคอยเลี้ยงดูร่างกายขาดปัจจัยสี่ก็เกิดความทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์ทางเรื่องของเรื่องปัจจัยสี่แล้วยังมีทุกข์เรื่องอยู่นี้ทุกข์จากดินฟ้าอากาศทุกข์จากชื่อโรคต่างๆ ทุกจากมนุษย์ทุกจากสัตว์ได้ราชานแล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นของเหมือนกันทุกคนจะมีกิเลสมากขึ้นเลยน้อยนี่มันต้องาจากความทุกข์เหล่านี้ได้รับทุกคนทุกทางอ่างกายแล้วมาบวกกับทุกทางใจคือความโลภความอยากความหลงนี่แลรวมาสร้างความทุกข์ความใจเพื่มอีกตัวหนับก็มีแต่ความทุกข์ทุกทั้งกายทุกทั้งใจ สู้ไม่มาเกิดดีที่สุดครับต้องหาทางไม่ถึงฉลองวันไม่เกิดอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้็ทำตามพระเจ้าสอนสามข้อทุกพระเจ้าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนให้ะการกระทำบาปสิแล้วก็สร้างบุงสร้างบุญศนนั้งหลายถึงพรแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ครับ คขอบพระคุณพระอาจารย์ครับจะน้องนําไปพิจารณาปฏิบัติต่อไปนะครับ mm hmm. ผมข อ, อกาะถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างนะครับภุณ mm hmm. ธลิทฐาครับตอนแรกๆโยมมีความเพียรในการฟังธรรมพระอาจารย์มากฟังทั้งวันและนั่งสมาธิสงบได้ดีแต่ช่วงหลังๆมา น, นิยมนั่งสมาธิไม่สงบเลยค่ะโยมถือศีลห้าอยู่ทุกวันแต่ว่าช่วงหลังมา น, นิยมดูหนังวันละหนึ่งถึงสองเรื่องพอตอนเย็นนั่งสมาธิใจก็ไม่สงบเลย โยมลองมาพิจารณาดูน่าจะเกิดจากการดูหนังแน่เลยโยมคนถือศีลแปดใช่ไหมคะไม่ดูหนังฟังเพลงหรือว่าสมาธิก็ไม่เที่ยงเหมือนกันครับอ๋อมีส่วนการที่เราไปไปรับรู้เรื่องรูปสิ่งกลิ่นรดมันก็มาฝังเป็นสัญญาอยู่ในใจเราในวใจเราก็จะคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆเวลานั่งสมาธิแทนที่จะมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะว่าไปหาเรื่องนั้นว่าไปหาเรื่องนี้ จยากการที่เราได้ไปสัมผัสรับรู้ทางตาหูจมูกมาท่านหนึ่งบอกให้สัส C, ่สั่รวมอินทรีย์คือสํารวมอายันตนาตาหูจมูกร่างกายอย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกิดเพราะมันจะกลายเป็นวิวรณ์เป็นอุปสรรคในการภาวนามันจะทําให้เกิดการมันทะนั่งไม่ทนนั่งไม่นานเพราะอยากจะอยากจะไปหารูปเสียงกิดก็จะไปเสพ ร, รูปเสียงกิดรสอยู่เรื่อ นั้นการอาณนาถึงจะเป็นจะต้องมีการสารวมอนตาหจมูกนงกายด้วยการถือศีลแปดคุณสมพรครับเวลาเรามีความไม่สบายใจแสดงว่าเรามีนรกอยู่ในใจหรือเปล่าครับใช่ความไม่สบายใจก็คือความทุกข์ใจนรกมันก็มีนรกแบบหนักและนรกแบบเบา บางทีไม่สบายใจนิดนึงก็เป็นอารกขึ้นมาแล้วถ้าถ้าเป็นความไม่สบายใจที่หนักมันก็เป็นอรกที่ที่หนักขึ้นบางทีถึงอยากจะฆ่าตัวตายเนะี่ย น, นั่นแหละตอนนั้นตกนรมณ์กระจตกนรกแต่การฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ทําให้ใจออกจากของลกได้เพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นเหตุที่ทําให้ใจใจทุกเหตุที่ทําให้ใจทุกก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยาก เอามาดับที่กิเดสตัณหาความทุกข์ใจก็จะหายไปคุณปรีชาครับผมเป็นคนกเกษียณได้เงินนํามาให้มารดาเป็นรายเดือนแต่มารดาได้คืนเงินให้กับผมและบางครั้งมารดายังให้เงินผมมาเพิ่มอีกและมารดามักจะบอกว่ามารดายังมีเงินอยู่ไม่จําเป็นต้องใช้ขอถามว่าผมจะได้บุญหรือได้บาปครับอ๋อถ้าเราให้โดยที่เราไม่มี การบ่บอกไม่รู้ส่งสัญญาณว่าขอคืนนะอะไรานี้คือให้ด้วยด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ให้เพื่อต้องการที่บูชาพระคุณของมารดาที่ให้กําเนิดเราให้ไปแล้วถือว่าเป็นของมารดาแล้วไม่สนใจว่ามารดาจะาไปให้ใครจะไปใช้อย่างไรไม่สนใจอย่างนี้ก็จะได้บุญแต่ถ้ามันดาอยากจะให้กับคืนมารดาก็จะได้บุญ บรนดาก็ไม่ต้องการเงินนี่บรรดาก็อยากจะทําบุญอยากจะให้ลูกมีความสุขก็ให้กลับมากับลูกอยวันนี้เราก็มีญาติโยมเอาขนมเค้กไอติมมาให้ก้อนมาเริ่มเลยขายไม่มีที่เก็บแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราขอทําบุญนะเราจะให้ญาติโยมกลับไปกิน อ, อ๋อได้บุญทั้งคู่เลยใด้บุญทั้งคู่แล้วก็มีได้ความสุขเขาก็ได้ความสุขจากการให้เรามา เรืดนดน่องดอนบุญนี่มันสามารถเหมือนกับว่าเวียนเทียนได้ือของอันช่นเดียวกันแต่เอาไปเวียนเทียนได้สมมติเราให้คุณหมอคุณหมอไปให้คุณพ่อคุณพ่อไปให้คุณแม่แต่พ่อก็สางได้บุญน้องนะครับผมีมมนยนใช่แต่ห้ามบอกทั้งนั้นห้ามบอกว่าี่ให้คุณพ่อเอาไปให้คุณแม่นะแต่อย่างนี้คุณพ่อก็ไม่ได้บุญเราเป็นคนได้บุญเราไปแช่คุณพ่อเฉยๆลำบา ไปใช้คุณพ่อให้ทำหนะ้าทำบุญให้กับเราครับคุณมาริสาครับตอนนี้เริ่มฝึกสมาธิและเจริญภาวนาแล้วค่ะแต่ก็เริ่มแบบเดินต่อแตะแบบเด็กทารกเจ้าค่ะเคยได้ยินมาว่าถ้าทำสมาธิในระยะเวลาเหมือนช้างกระดิกหูเหมือนมูนแลบลิ้นก็ได้อานิสงส์มหาศาลจริงหรือเปล่าครัพระอาจารย์หรือต้องทําแบบมาราธอนถึงจะได้ผลมากกว่าเจ้าค่ะ คือถ้าจิตสงบได้เนี่ยแม้แต่เพียงแค่งูอาช่างก็ะดิษครับูมือแลบลิ้นเนี่ยก็มีประโยชน์มากเพราะมันเป็นเหมือนกับเราได้สัมผัสกับของตัวอย่างเช่นสินค้าเวลาเขาออกสินค้าใหม่ๆเนีเขามักจะแจกสินค้าให้มาลองใช้กันใช่ไหมเขาก็จะใส่บรรจุภัณฑ์เล็กๆใช่มแม่เพราะมันต้องแจกเยอ ะ, อะถ้าเป็นน้ำหอมเนี่ยจจะใส่ขวดเล็กๆหรืออะไร แเพื่อให้จะได้ไปแจกให้คนลอกใช้อยู่พอเข า, าได้ลอกใช้แล้วก็ก็จะได้รู้ว่าสินค้านี้มีมีความดีอย่างไรพอถูกาจเขาเขาก็จะติดใจแล้วเราก็จะยอมเสียเงินซื้อสินค้านี้อันนี้ก็เหมือนกันสนาธิถ้าเราได้เพียงแค่ชั่วขณะนูนแลบเล่นนี้ก็เหมือนเราได้สัมผัสกับผลของของการปฏิบัติ คือคนมองสมาธิว่ามันวิเศษแล้วกันไม่มีอะไรเหมือนกันในโลกนี้อย่างที่พุทธเจ้าบอกว่ า, วานัตติสันติปรังสุ ข, ขันสุอื่นที่เนนือกวาคำสมมตินี้ไม่มีเราจะได้เจอครับธรรมะอันนี้ข้อนี้ได้สัมผัสกับความสุขแม้จะเป็นเพียงชั่วขณะเดียวก็ตามแต่มันจะมีความประทับใ จ, จกระท่านทําให้เรานี้เปลี่ยนการสวยหางาพักสุขได้เลย เคหาความสุขจากรูปเสียงกิเลสก็จะหยุดละยินจะเริ่มเข้าหาความสุขทางสมาธิต่อไปอนนี้คืออ น, นิสงส์ที่เป็นประโยชน์มันจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นให้เราเกิดอิธิบาสีในการปฏิบัติสมาธิเรามีฉันทะมีความยินดีวิริยะมีความเพียรจิตตะมีความจดจอ่อมีภาษาเมตตาความค่ายควรคิดถึงแต่การทำสมาธิ เมื่อมีที่บาศีแล้วมันก็จะทําให้การปฏิบัติสมาที่นี้ก้าวหน้าจรจนถึงขั้นสูงสุดได้อุนสมพรครับโยมีความสุขมากๆเวลาได้ฟังเทปธรรมะของพระอาจารย์เพราะทาให้เห็นสัจธรรมของพระพุทธเจ้าการฟังเทปธรรมะของพระอาจารย์ถือว่าได้บุญเหมือนกับการทําฟังธรรมะสดๆจากพระอาจารย์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรถือเป็นมงคลสูตรได้หรือเปล่าครับเหมือนกันอะ สมัยนี้เราเช่คดีเราไม่ต้องมาฝังที่ที่หน้าเลยสามารถฟังได้จากสื่อต่างๆหรือแม้แต่อ่านหนังสือธรรมะของของพระพุทธเจ้าเช่นพระสูตรต่างๆเยถ้าอ่านไปแล้วเกิดความเข้าใจนี่มันจะเหมือนกับว่าได้ได้ยินได้ฟังจากพระโอษพระโอษของพระพุทธเจ้าเลยเพราะมันเป็นธรรมที่เป็นธรรมที่พระเจ้ทาทรงตรัสสอนแล้วมีการบันทึกอเอาไว้ เวลาฟังสมัยก่อนตอนที่เราเริ่มศึกษาสมัยอ่า น, นอ่านหนังสืออ่านร้อสอนี้เกิดความประทับใจรู้สึกว่าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระเจ้าโดยตรงเลยถึงแม้ว่าพระเจ้าจะจากไปแล้วเป็นเวล า, วลานานเท่าไหร่ก็ตามแต่คําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาศดีกบไม่มีวันเสื่อมไปดับการของเวลาสดสดนอนรใหม่เสมอคือธรรมะของพระพุทธเจ้าทัานสมัยอยู่เสมทุกยุคทุกสมัย ว่าทันกิเลสทุกยุคทุกสมัยก็มีกิเลสเหมือนกันทุกยุคในอนดีตยุคในปัจจุบันหรืยุคในอนาคตนี้กิเลสเหมือนกันทุกทุกยุคทุกสมัยนัทธามะก็เป็เครื่องปัดกิเลสก็ทันสมัยทุกยุคทุกสมัยสามะานัมโมปาณัมโมปรมาบกิเลสได้ทุกยุคทุกสมัยคุณวิจิตครับ อยากจะขอธรรมะที่ช่วยจัดการเรื่องความกลัวในใจครับเช่นกลัวว่าโรคที่เป็นอยู่จะรุนแรงมากขึ้นครับครัานพี่อาจายท่าสอนแนะนำว่าสรรใ น, น, นสรรใจตื่นใจเรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดแล้วย่อมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็คไายได้ป่วยเป็นธรรมดาและย่อมมีความตายเป็นธรรมดาเมื่อพบความแก่ความเจ็ไ้ได้ปวดความตามยจะม่ได้ ให้เราเหมือนาความจริงนี่มันจะทำให้ใจเราค่อยๆรอดรับการเกิดนี้ในภายหลังอาจจะยากรับไม่ได้ว่าแต่ถ้าคิดบ่อยๆให้ดูดูความเป็นจริงบ่อยๆดูคนนั้นคนนี้แก่หรือคนนั้นคนนี้เจ็บือคนนั้นคนนี้ตายมันก็จะมีภาพที่จะสอนเราว่านี่คือสัจธรรมความจริงของชีวิตถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ คือไม่อยากจะกลัวเราก็ต้องยอมรับความจริงอันนี้พอเรายอมรับความจริงอันนี้ได้เราก็จะหายกลัวถ้ายังยอมไม่ได้รับไม่ได้ก็ก็แสดงว่าจิตเรายังไม่สงบพอก็ต้องไปฝึกสมาธิไปฝึกสติจะแรงสมาธิพอจิตเรามีความสงบแล้วมันก็จะยอมรับความจริงอันนี้ได้ คุณสมพรครับการปล่อยปลาในพางพระพุทธศาสนาได้บุญอย่างไรบ้างครับก็เหมือนกับคนเวลาเราถูกจับขังในคุกแล้วเขามีพระราชทานอภัยโทษปล่อยเราออกมาแล้วก็เป็นสละเวลาอยู่ในคุกมันก็ทุกข์ใช่ไหมเวลาจากคุกมามันก็มีความสุขอันนี้ก็เราให้ความสุขกับผู้หรือบนรเทาความทุกข์แก่ผู้ ยริงๆถ้าเป็นสัตว์ที่ก็นำจเจ้าไปฆ่าอย่างนี้แล้วเราช่วยช่วยถ่ายชีวิตเขาเนี่ยก็ให้เราย้อนกลับมาถึงตัวเราเองถ้าเกิดเราจะถูกประหารชีวิตต้อมีคนมาถ่ายชีวิตเราให้ให้เราอยู่ต่อไปได้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างไรเราต้องมีความสุขมากนะคนที่ให้ภัยโทษเขก็ขจะมีความสุขมากเพราะเห็นว่าการกระ ท, ทําของเขาทําให้เรามีความสุข เมื่อเขาเมื่อเรามีความสุขเขาก็จะมีความสุขในใจเกิดขึ้นมาความสุขในใจในี่เรียกว่าบุญคุณสัมพันธ์ครับกราบขอคำานําำใจจากพระอาจารย์ครับกรผมโดนหัวหน้างานกั่นแกล้งโดยการประเมินผลงานออกมาไม่ดีเอามากมากครับทั้งนั้นที่กผมทำงานอย่างจริงจังตลอดทั้งปีผมควรคิดอย่างไรครับเพื่อให้สบายใจ ความไม่สบายใจของเราเกิดจากความหวังของเราหวังให้เขาเอาประเมินผลดีหรือว่าหวังให้เขามีความเมตตาแล้วให้ประเมินผลที่ดีแล้วไม่กัดแกล้งเราแต่ที่นี้เราต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุ่มบังคับไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาจะแกล้งเราแล้วไม่แกล้งเรานี้เราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนันตตา ตองมองให้เขามองใหเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่เราไม่สามารถไปสั่งได้ไม่หวังอะไราจากดินฟ้าอากาศได้เช่นวันนี้อยู่ดีๆก็หนาวขึ้นมาเย็นขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้มันไม่เย็นเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นความทุกข์ใจของเรามันอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้เขาไม่กัดแกล้งเราอยากให้เขาประมระุ่นผลงานออกมา ดีๆอันนี้อย่าไปหวังถ้าหวังหรือไปอย่างกกามันจะผิดหวังได้ถ้าเกิดเขาไม่ทําตามที่เราอแต่ถ้าเราไม่หวังเฉยๆยังไงก็ได้เวยอยู่ก็ได้ไปก็ได้เลื่อนตําแหน่งก็ได้ไม่เลื่อนตําแหน่งก็ได้ถ้าทําใจเป็นสันโดษพุทธเจ้าบอสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดอย่าไปหวังอะไรจากใครเราใจจะไม่ไม่ทุกข์ใจจะสบายใจ ทุกใจก็จากความอยากก็จากความหวังของเรางั้นอย่าไปหวังอย่าไปอยากยินดีตามมีตามเกิดเหมือนพระเนี่ก็ยินดีตามมีตามเกิดเวลาไปบิณฑบาตก็จะไม่ทุกข์ถ้งหวังว่าวันนี้จะกินพิซซ่าหน่อยอย่าไปกินขนงจีบซาราเปาหน่อยพร้อไม่ได้ก็ผิดหวังก็ว่าวันนี้ทุกข์ใจนะกินไม่ลงกินยัางอื่ไม่ลงครับ้นอย่าไปหวังอย่าไปอยากแล้วใจจะไม่ทุกข์ คุณนรลักษณ์ครับ น, น, นันทิราย ง, งานผลครับบอกว่าตั้งแต่โยมฟังธรรมคาสอนพระอาจารย์มาเกือบสองปีแล้วโยมจะเข้าป่าปฏิบัติธรรมแล้วค่ะเจอสถานปฏิบัติธรรมแล้วเจ้าข่ากราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าข่าสาวทขอให้มีความสดมากยิ่งขึ้นขอให้การปฏิบัติครับก้าวหน้านขึ้นไปยิ่งขึ้นไป สมพรครับบอกว่าวางแผนจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดยานแต่โยไม่ทราบว่ากิจวัตรประจําวันมีการปฏิบัติธรรมมีการปฏิบัติตัวกันอย่างไรบ้างครับในแต่ละวันครับก็ไม่มีอะไรมากสําหรับศรัทธาญาโยที่มาพักอยู่เขาก็มีกิจวัตรให้ทำสองช่วงตอนเช้ากับช่วงเย็นช่วงเช้าเขาก็จะตีละฆางตอนตีสี่ให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้มาบสถ์มานั่งสมาธิรอเวลาว่า้พระสริมมงคลธรรมวัชเช้าตอนตีห้าหลังจาก ทำวาเช้าเสร็จก็ให้กลับไปที่พักเพื่อไปเตรียมตัวรับประทานอาหารถ้าอยากจะทำบุญใส่บาตรก็มาที่สาราแล้วก็สามารถมีสั่งอาหารที่มีแม่พ่าที่หน้าสาราคาละจัดทรอาหารให้เราได้แล้วเราก็มาถออาหารตอนเช้าหลังจากที่พักกลับจากบินบาช่วงประมาณเจ็ดมงครถึงแปดโมึ พระ ก, ก็จะฉันแปดโมงครื่องญาติโยมก็รับประทานอาหารเสร็จญาตยโยมก็กลับไปที่พักไปปฏิบัติตามอัจาศัยจะไปเดินจยกงมนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะความเทศความธรรมนีอ่อะไรก็สามารถทําได้ไปจนถึงช่วงเวลาเย็นเวล า, าเย็นประมาณห้าโมครึ่งก็ให้ไปที่โบสถไปที่ศาลาแล้วก็จะมีการเริ่มบทสวนบนธรรมะเย็นประมาณหกโมเย็น ทำเสร็จก็จะมี ท, มท่านเจ้าท่านเจ้าวาดหลวงท่านอยู่ท่านก็จะแสดงธรรมให้ังลังนั้นก็นั่งสมาธิไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงราจะได้ประมาณทุ่มกว่าสทุ่มเสร็จ แ, แล้วก็ให้กลับที่พักไปปฏิบัติต่อหรือจะไปพักก่อนล บ, บน้อยก็สุดแท้แต่อีิยศใสอิจฉาของสทายายกที่มาทำที่วัดกมีธรนี คุณนวาครับทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกปลนเปลือลูกมากกว่าพ่อแม่ครับตนหนีกับพ่อแม่ไม่คิดเสียสละเชนให้พ่อแม่นอนห้องอนาถาที่โรงพยาบาลแต่ตัวเองและลูกนอนห้อง VIP ถ้ามองตามเหตุผลคือผู้ใดมีคุณแก่เราเราต้องเมตตาสนองคุณท่านไม่ใช่หรือคะส่วนตัวโยมจะเลือกเมตตาพ่อแม่ก่อนลูกตัวเองโยมเลยไม่เข้าใจเหตุการณ์กระทําของเขาเหล่านั้นจะถามตรงๆก็อาจจะมีเรื่องกันขอโอกาสแค่พ่อข้องใจและคลายอคติคะ่ะ คือเขาไม่เห็นความสําคัญของพ่อแม่มากกว่าลูกเขาเห็นว่าลูกนี่เป็นของเขาออกมาจากตัวเขาเขาเลยรักลูกมากกว่ารักพ่อแม่แล้วเขาก็ไม่มีอาจจะไม่มีใครสั่งสอนให้นำนึกถึงพระคุณของพ่อแม่เขาก็เลยลืมบุญคุณได้ลืมมาตัวเ้านี่ที่มันเป็นมาอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะว่ามีพ่อแม่ให้กำเนิดเขาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีความรตัณฑ์ เพื่อไม่รู้จักคุณของผู้มีทบคุณเช่นบิดามารดาเมื่อ ม, มีความกตัญยูก็ไม่มีกระตา่าเวทีคือการตอบแทนบุญคุณของผู้ที่มีทบคุณก็เลยไปลงรักสิ่งไปลงรากสิ่งที่ตนเองรักสิ่งที่เป็นของตอนเองจะลักของที่เป็นของตอนเองเพร่อแม่ในเรื่องจะรู้สึกว่าเป็นของนอกกายนอกตัวเขางเพือดาจะมาอาจอาจะมองเหมันก็ว่าเป็นคนใช้เขาที่ได้ทราบไป แต่เขาทําอย่างไรกับพ่อแม่ต่อไปลูกก็จะทําอย่างนั้นกับเขา ก, เก็แห่งกรรมมันจะเป็นอย่าง น, นัเพราะว่าลูกมันก็จะเรียนรู้จากพ่อแม่เมื่อลูกเห็นว่าพ่อแม่ไม่มีการกระตันอยูก็พ่อแม่ของพ่อแม่ลูกก็จะไม่มีการกระตันอยู่กับพ่อแม่ตัวลูกก็จะไปรักลูกของตันเองดูแลลูกของตันเองเหมือนกันต่อไปกงกรรมกงเวียนนั่นบอกเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเราแสดงความประทับอยู่น้อลูกก็เห็นเรามีความประทับอยู่ต่อพ่อแม่เขาก็จะเรียนรู้จักเราเราพอโตขึ้นเราแก่ลงเขาก็จะมาเล่นดูเราครับชื่อคุณชื่ออะไรครับช่วงนี้หลับไม่มีความฝันอะไรเลยค่ะมันคือจิตว่างไหมคะก็เป็นไปได้เพราะมันไม่ได้มาคำว่าเราจะต้องฝันทุกคืนไปบางทีมันคืนมันจิตมันง่ายเหนื่อยมันก็จะไม่ฝันก็ได้ เยอเจ็ บ, บางคนถ้าสงบมันก็ไม่ฝันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมั น, มนไม่แน่เสมอไปว่าจ ะ, ะมันจะต้องฝันทุกคืนนะคุณเข็มจีลาครับขอความเมตตาเจ้าค่ะวิตกกังวลคิดไปก่อนดังนี้อยู่เป็นประจำในการทํางานก็เลยกลายเป็นไม่มีความสุขเลยโยงกําลังเอานารกมาใส่ในใจหรือเปล่าครับถูกต้องความวิตกกังวลก็คือความทุกขอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องใช้เหตุผลในการ ดำเนินชีวิตคือเหตุก็คือสิ่งที่เราทําได้เราก็ควรทําให้เต็มที่ส่วนผลมันจะออกมาในรูปแบบไหนอ น, นี้เราไปควบคุมมระคับมันไม่ได้แต่ขอให้เราทําสุดกําลังของเราก็แล้วกันทําเท่าที่เราทําได้แล้วผลออกมาอย่างไรเราก็อาจจะต้องยอมรับถ้าเราปรับปรุงได้เราก็ปรับปรุงไปเพราะชีวิตเป็นการเรียนรู้ไปในตัวด้วย เหตุของราอาจจะไม่ถูกกับผลที่เขาต้องการก็ได้เราทําดีแบบนี้แต่ผลที่ออกมาไม่ได้เป็นผลที่เขาต้องการเขาก็อาจจะไม่พอใจหรือมีการตําหนิตีเตียนเราตักเตือนเราเราก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขไปตามตามเหตุตามผลไปแล้วก็อย่าไปยึดกับงานมากจนเกินไปไม่น่าคิดว่างานก็เป็นของชื่วกล่าวมีโอกาสตกงารได้ ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งเราต้องอย่าไปยึดติดมากเกินไปถ้าไม่ยึดติดมากเกินไปถ้าถึงเวลาจำเป็นจะต้องออกจากได้ก็จะไม่ค่อยทุกข์เท่เพราะรู้ว่า ม, มันเป็นสิ่งที่เราควบคุมมังคับไม่ได้เราทำดีที่สุดเท่าที่วิสัยแต่การกระทบของเราอาจจะไม่พอกับความต้องการขององค์กรก็ได้เราไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่องค์กรต้องการไดากก็ได้เราะถ้าเบอกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนงาน เราก็เราก็จะไม่กังวลเราต้องยอมรับว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนราบยศสละเสรนี่มีขึ้นมีลงแต่เราก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามยอมรับกับความเป็นจริงราาว่าอย่างภาษาอังกฤษเขาบอกว่า Do hope for the best but expect the worst คือหวังมากหวังว่สิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ต้อง แต่ก็ต้องคาดว่ามันอาจจะเจอสิ่งที่เลวรที่สุดก็ได้ครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นในภาพนี้แต่ให้ทําให้ดีที่สุดครับคุณพันธิศครับกลับเรียนถามน้องสามีว่าเราในสิ่งที่ไม่จริงแต่สามีต้องให้เงินใช้ทุกเดือนอีกไม่คิดจะทํางานหนูบอกสามีว่าไม่ต้องให้หนูจะบาปไหมคะให้บาปหรอเพราะว่า มันเราไม่ได้ไปทําร้ายใข่การไม่ให้ก็เพียงแต่ว่าไม่ไ ม, ไม่เมตตาเท่านั้นเองถ้าให้ก็ถือว่าเมตตาเขาจะดีเชื่อแล้วแต่เขาเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องการใช้จ่ายเขามีค่าใช้จ่ายที่เขต้องใช้ก็เดือดร้อนถ้าไม่มีนั่นเขาก็จะเหลือเราก็ให้เขาไปอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเมตตาแต่ถ้าเราไม่ให้ก็เราก็ขาดความเมตตาเท่านีน้แต่ไม่บาปบาปต้องไปทําร้ายครับ ต้องไล่เขออกจากบ้านอะไรทงี้แ ม, ม่เขาอยู่ของเราเดินไปทาําร้ายน่ากายเขาเนี่ยถือว่าบาปครับคุณสุกตาครับถ้าเรายังไม่ได้อุเบกขาแต่เราสามารถปัดภพชาติของเราคือเราต้องละสิ่งที่เราไม่ชอบไปยึดเช่นชอบเที่ยวชอบความสวยงามชอบของอร่อยพวกการ ม, มาสุขทั้งหลายเราต้องคอยละให้ได้เพื่อลดภพชาติของเราให้สั้นลงหนูเข้าใจถูกไหมคะ ได้การลดความอยากต่างๆให้น้อยลงก็จะลดลดจานวนของวกชาติที่ให้ให้น้อยลงไปนะคุณมาลีบอกว่าเรียนถามว่าวิวัตตะกับนิพพานต่างกันไหมเจ้าคะคือคำว่ามัตตกับวิวัตตานี่มันเป็นคำที่ต่องเนค่ามัตตคือการเวียนว่ า, าตายเกิดวิวัตตก็คือการไม่เวียนว่ า, าตายเกิด ก็คือพันนิพานนิพานนี้ก็เป็นผู้ใดถึงนิพานแล้วผู้นั้นก็จะไม่มีการเวียนว่าตายเกิดต่อไปก็จะมีวิวัตตาแต่ไม่น่ามาค่ะว่าวิวัตตาคือนิพานนิพานคือความสงบสุขที่เกิดจากความสิ้นกิเลสกิเลถูกกําจัดความโลภโกรงถูกกาจัดออกไปจากใจใจก็เป็นนิพานขึ้นมาเมื่อใจเป็นนิพานแล้วใจก็ยุติการเวียนว่าตายเกิด คุณสมพรครับบอกว่าโยมฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วถูกจริตถูกเคมีเข้าใจได้ตรงเข้าใจธรรมะได้ชัดเจนไม่ต้องแปลความของธรรมะกันจึงเปิดฟังเทปธรรมะของพระอาจารย์เป็นประจำอย่างนี้ถือเป็นการฟังธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยในตัวไหมครับทุกวันนี้โยมเสพเฉพาะสื่อออนไลน์ที่เป็นธรรมะไม่ค่อยรู้เรื่องข่าวสารบ้านเมืองมันไม่อยากรับรู้ไปเองอย่างนี้ถือเป็นการปฏิบัติได้ถูกต้องใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการ การเรียนรู้แล้วก็เป็นการปฏิบัติไปเลยเพราะการฟังธรรมถ้าเราฟังด้วยจิตที่สงบด้วยกายวาจาใจที่สงบก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราฟังธรรมไปแล้วเราก็ทัด ก, กับข <|hi|> ้ามไปซ่อมซ่อมเครื่องเครื่องยนต์ไปอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติแต่เป็นการศึกษาในการฟังธรรมในการศึกษาแต่แต่ศึกษาแบบไม่ไม่ไม่ไม่สมบูรณ์ เพราะใจเราไม่ได้จดเจาะอยู่กับการฟังธรรมเพียอย่างเดียวใจเราวิ่งไปวิ่งมาระหว่างงานที่เราทํากับธรรมะที่เราฟังอยู่ซึ่งบางคนคิดว่าเป็นการเป็นเป็นการกระทําที่ถูกคือฟังธรรมแล้วก็ทํางานไปด้วยอย่างนี้อันนี้ถ้าว่าถูกก็ถูกตรงที่ว่าดีกว่าไปฟังข่าวการเมืองเรื่องฟังเรื่องราวต่างๆทางโลกอันนี้ฟังธรรมก็จะดีกว่า แต่ยังไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติหรือเป็นการทำธรรมแบบสมบูรณ์แบบการทำธรรมที่สมบูรณ์แบบต้องนั่งเฉยๆกายวาจาใจต้องสงบกายไม่เคลื่อนไหวไม่ทําอะไรวาจาไม่พูดไม่คุยกับใคร <c oughs> แล้วก็ใจก็ไม่ไปคิดเรื่องราวต่ า, างๆจดจ่ออยู่การทำธรรมอย่างเดียวถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติทำไปในตัวด้วยเพราะเป็นการทําใจให้สงบนั่น จะเป็นการจารณ์สติควบคุมใจให้เข้าสู่สมาธิได้แล้วถ้ามีปัญญาฉลาดก็อาจจะบรรลุธรรมได้เลยก็มีบางคนทำธรรมแล้วบรรลุธรรมได้เลยก็มีในการทำธรรมในแนวการปฏิบัติแบบนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติด้วยครับคุณสนั่นครับ เวลานึกถึงเรื่องดีๆที่เคยทํามาแล้วรู้สึกมีปีติมีความสุขตัวเบาใจพองโตมีความมั่นใจว่าเรามีดีอันนี้เป็นการหลงตัวเองเป็นการยึดติดไหมครับไม่หรอกอันนี้แหละ ท, ที่ที่จะเป็นเหมือนกับความฝันฝันแบบดืมตาเนี่ยเราคิดถึงความดีต่างๆที่เราทํามาเวลานอนหลับล้วใจเราไม่จะคิดถึงความดตีต่างๆที่ได้ทามาแล้วมันก็จะมาปูแต่งให้เป็นเรื่องเป็นราวที่ดีให้เราเกิดมีความสุขใจ ข, ขึ้นมา คนดีซครับการเรียนถามว่าคนเราหนึ่งร้อยวันแรกจิตต้องเดินทางไกลจริงไหมคะญาติคงต้องทําบุญไปให้เยอะๆเพื่อจะได้ไปพบที่ดีครับเอ๋อไม่จริงเหรอ <c oughs> คนตายแล้วเขาไม่ต้องเดินทาง เ, เพราะว่าจิตนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาไม่มีร่างกายเหมือนร่างกายนั้นจิตไม่ต้องเดินทางอะไรจิตก็อยู่ไปจิตก็ไปตามอำนาจของบุญหรือบาปก็คือปุงแต่ อยู่ในโลกของความฝันไปโลกในโลกโล ก, ดกแดนดระมิตในกัรแดนแดนระมิตผู้นี้มันจะได้ชัดเจนหน่อยครับความฝันนี่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่เวลาที่ร่างกายตายไปนี้จิตแค่เข้าสู่แดนในระมิตทันทีครับแล้วผู้ที่ในระมิตก็คือบุญหรือบาปที่จิต ด, ดวงนั้นทบกันครับพระอพาจารย์พูดว่าแดนในระมิดนี้เขาเข้าใจชัดเลยครับบางทีมันอาจจะ เคาว่าฝันมันอาจจะไม่ได้ทดแทนได้ใช่ครับใช่<อ>ใชเราไปเที่ยวแ ด, ยดนยานราเม็ตกันยันดิสนีย์แลนด์เนี่ยเขาในราเม็ตแดนต่างขึ้นมาใ ช, ใช่เลยเว <c oughs> ลาตายไปเราก็กเข้าสู่แดนยานราเม็ตกันคุณลอยแก้วครับทําไมไม่กินอาหารเย็นแล้วทําสมาธิได้ดีกว่คนที่กินอาหารเย็นครับอก็เวลากินอาหารมากแล้วมันจะทําให้ง่งงวงเหานอนเกียดคัน อยากจะนอนมากกว่าเพราะม่นมันอิ่มกายแล้วมันก็อยากจะหาความสุขทางกายต่อเมื่ออิ่มแลวนวร่างกายก็อยากจะพักผ่อนหลับนอนอเวลานั่งสมาธิก็จะขาดสติสติจะมิจะสติจะอ่อนลงกว่าตอนที่เวลาหิวเวลาหิวนี่รู้สึกว่าเราตื่นตัวมากกว่าเวลาที่เรากินอีใช่ครับคุณวีนาครับ หนูเรียนถามพระอาจารย์ว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ด่าว่าทำร้ายพ่อแม่แปลว่าจิตวิญญาณอาศัยทองแม่มาเกิดเท่านั้นแต่เขาไม่ได้ทำบุญเพื่อมาเกิดกับพ่อแม่คนนั้นใช่ไหมคะเขาจึงกล้าทำบาปอ๋อไม่ใช่หรอกมันเป็นสัญดาณของเขาสัญดาณของแต่ละคนที่ปลูกฝังมาในแต่ละภพแต่ชาตินี่ไม่เหมือนกันบางคนสัญดาณอย่าสันดาณเป็นจัดเดรัจฉานเนี่ยมันก็จะไม่มีการสำนึกในบุญคุณของผู้ แต่ถ้าบางคนที่ได้รับการสอนมาในแต่ละพบแต่ชาติให้มีความเคารพมีความกตัญญูขอพ่อแม่เมื่อเขามาเกิดกับพ่อแม่คนไหนเขาก็จะมีความกตัญญูมีความเคารพกับพ่อแม่คนนั้นไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่จิตของแต่ละดูงที่มาเกิดว่าได้รับการตลกฝังมาในทิศทางไหนในทิศทางที่ดีด้านไม่ทิศทางที่ไม่ดีในทิศทางที่ไม่ดีก็ถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้ คุณสมพรครับเพศคารวาสปฏิบัติธรรมประจำวันคือใส่บาตฟังธรรมปฏิบัติธรรมที่วัดตามโอกาสอำนวยอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติธรรมพื้นฐานครบถ้วนหรือยังครับจะว่าครบหรือไม่ค ม, มันก็พูดยากคือย่างน้อยก็ได้ทําเำแต่ว่ามันมันมันจะได้ผลดีม า, มากน้อยก็อยู่ที่วลาทำมากเราทำําทำน้อยเหมือนกับเราเอาเงินฝากธนาคารเราทําฝากวันละสิบบาทสิบบาท เราก็ทำหน้าที่ของเราอมอมทรัพย์อยู่ใช่ไหมวันละสิบาบาทแต่ถ้าอีกคนหนึ่งก็ทาก็ฝากวันละร้อยหรือวันละพันเนี่ยผลที่ได้าจากการอมทรัพย์เนี่ยมันก็ไม่เท่ากันในการทีพูดบอกว่ า, วาการเราใส่บาตรทํท ำ, ทำแล้วปฏิบัติทำที่ว่าตามโอกาสนี่อยู่ที่ว่าโอกาสนี่จะมากจะน้อยต่างกันตรงนั้นคุณต่อครับ นั่งสมาธิแล้วรู้สึกซาบซ่านไปทั้งตัวมีความสุขมากต้องทำอย่างไงต่อครับก็ทําทต่อไปทำดูลงพ็ดูลงต่อไปถ้าหายใจดูล ม, าลมหายใจก็ดูลมถ้าพุทโธก็พุทโธต่อไอย่าเพิ่งหยุดยัาเพ่งยังไปไม่ถึงจุดจุดสุดท้ายคือความสงบเด่นของใจทำพุโทโธต่อไปต้องดูลมต่อไปอันนี้เป็นทางผ่านเขาเรียกว่าปิติในเวลา ข้าวชานข้นล่างนี้จะมีห้าอาการมีวิตตกวิจารมีปิติมีสุขมีสี่มีรู้สึกจะมีสี่ลักษณะนั่นกันพอจิตเริ่มเข้าสู่ความสงบขั้นต้นเนี่ยยังมีวิตกวิจารวิตตกวิจารก็คือการดูหลงเขาเรียกวิตกวิจารหรือพุทโธนี่เป็นการเวิตกวิจารแล้วก็เกิดปิติเกิดความความสงบขึ้นมาระดับหนึ่งเกิดมีปิติขนลุกซาบ้างบางทีน้ําตาไหล แล้วแต่อาการของต่ละคนไม่เหมือนกันก็ต้องทำต่อไปวิตกวิจารต่อไปดยลงหายใจเข้าต่อไปจนพอจิตสงบนิ่งแล้ววิตกวิจารก็หายไปเนื้อแต่เนื้อแต่อุเบกขาเนื้อแต่สัตแต่ว่ารู <Okay. S 1> คุณวันเพ็ครับลูกกับเรียนถามว่าร่างกายตายแต่จิตไม่ตาย ลูกเห็นความทุกข์ไม่ปรารถนาการเกิดพยายามฝึกปฏิบัติเพื่อตัดบภพบชาติให้สั้นลงขอพระอาจารย์เมตตาแนะนํ า, น า, นาเจ้าค่ะก็พยายามตามตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สงสารให้เราในการไม่กลับมาเกิดนี้เราต้องปฏิบัติทานเสียภาวนานี่คือเครื่องมือที่จะตัดบภพบชาติให้หมดสิ้นไปายากใจคําว่าทานนี้หมายถึงว่าให้เอาเงินที่เราไปซื้อความสุขทางรูปเสียงกิเลสต่างๆเนามามทําทานแทน เพราะการไปซื้อรูปสินคิดลดมาเสดนี้เป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเป็นการเพิ่มสร้างพกชาติให้มากขึ้นเพราะเป็นการสนับสนุนการมาตัหาความอยากเสพการให้มีมากขึ้นเราต้องใช้เราต้องตัดสะพานของการใช้เงินทามเพื่อส่งเสริมพกชาติโดยการเอามาทำบุญทาทานแทนเอามาทำประโยชน์ให้แก่ผู้นัมันจะตัดคัการมาตัญหาของเราให้น้อยลงไปได้ อันนี้คือเรื่องหน้าที่ขทานแล้วก็ให้รักษาศีลเพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้ใจตกต่ำไม่ให้เราไปรับไปไปอบายถ้าไปเกิดอบายเราจะไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ถ้าใจมีทุกข์ก็ใจก็จะปฏิบัติยากเวลาทําบาปแล้วใจไม่สบายเวลาจะไปนั่งสมาธินี่จะย่างนั่งไม่ได้ยังต้องอยากทาบาปแล้วก็รักการ หาความสุขจากการเสก ร, รูปเสียงกิ่นรดต่างๆด้วยการถือสิ่งแปลแล้วก็มาภาวนามาเจริญสตินั่งสมาธิเรียว่าสมาถะภาวนาในการเราจะได้สมาธิได้อุบเบกขาเต็มเต็มเต็มที่แล้วตล้หลังถึงมาเจริญวิปัสนาภาวนาคือสอนธรรมะสอนความจริงให้กับใจให้เห็นว่าโลกที่เป็นโลกของความทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากได้นี่เป็นทุกไม่ใช่เป็นสุข ทุกเพราะว่ามันเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่มีของชั่วคราวเวลาได้มาอาจจะให้ความสุขกับเราแต่พอมันหมดไปมันไม่จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาได้ให้มองอย่างนี้ถ้าทำอย่นี้ได้ก็จะตัดความอยากทั้งหลาให้หมดไปจากใจได้ต้องไม่มีความอยากบังเอิในใจก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกต่อไปอาจาย์พุทธแต่งต้น จ, นจนจบเลยครับต้นแตน่ต้นเริ่มปฏิบัติจนจบกิจเลยครับอาจารย์เอ ควาจริงมนง่ายนะมันสรุป ง, ง่ายกับทํายากเนะ่ยทำงาน อ, งอยากจะไปซื้อกระเป๋าใหม่ๆอยากซื้อรถคันใหมให่เนี่ยโอ้โห้ไปบอกให้อาไปทําบุญจิตกรรนี่มันขึ้นหนักนะหลายรอบก็ความอยากมันอยากมากนะแต่ถ้าขึ้นถึงว่าเอ า, เอาเงินที่ไปซื้ อ, อใหม่ไปบริจาคให้โรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือชีวิตของคนที่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยมันจะท้ายแล้วเกิดความสุขใจมากกับการที่ได้ลดใหม่ๆเชื่ยไหมครับครับ คุณเอนโรสครับถ้าเราเป็นค า, ารวาที่ภาวนาเต็มเวลาเราสามารถทำสวนในบ้านได้ไหมคะหรือควรเอาเวลาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิมากกว่าหนูเห็นพระลดน้ำต้นไม้ได้แบบนี้ผิดไหมคะเป็นกิเลสไหมคะเพราะต้นไม้ทำให้สบายตาร่มเย็นคลายเครียดและมีความสุขครับใช่อันนั้นเป็นการมาตัตรานเนีาทำความอยากอเสพ ร, รูปรูปที่สวยสวย ง, งามอยา่ก็เไปเสียเวลาของการแต่งสวนจัดสวนอะไรต่างๆล่านี้ อทนที่จะมาฆ่าการมะตัณหากรรมมาส่งเสริมกรรมะตัณหาฉั้นต้องต้องไปเดินจงกรมนี่แหะเปวิธีฆ่าการมตัณหาอย่าไปทําตามความอยากทำรูปเสียงกลิ่นหลวงสุนพระนี่ใกล้ต้องดูว่าพระเนี่ยที่มาบวชทุกวันเนี้ยบางทีก็ไม่ได้ศึกษาไม่รู้ว่ามาบวชบวชเพื่ออะไรฉนั้นจะไปอ้างว่าพระทําทได้แล้วเราทําได้มันก็ไม่ถูกว่าเราไม่ได้ไปเห็นพระที่เขาไม่ทํากัน เราไปเห็นพระที่ทำกันเราก็เลยค่อว่าเป็นของถูกทจริงสิ่งที่พระทำกันเยอะๆทุกวันนี้ไม่ถูกตรงนั้นนะอยากยิงแต่ไม่มีใครกล้าพูดเพราะความเกรงใจหรือไม่อยากจะสร้างศัตรูครับปุบปากไว้ดีกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวก็จะจะโดนกระแสต่างๆกลับมาแต่ถ้ามีถ้าถามก็ตอบได้ตอบในเชิง ในเชิงวิชาการนี่เราพูดเถอะในเชิงวิชาการไม่มีเจตนาที่จะไปทำเหตุเตียนไทยเพืดไปตามหลักความจริงเวลากล่าวคําบวชมีบวชแล้วบอกว่าขอมาเพื่อมาแต่งสวนมาลดน้ำต้นไม้ไม่มีหลักเวลากล่าวคําบวชเลยสร้างปันตีพระเจ้าบวชเพื่อเพื่อชำระกิเลสเพื่ อ, อตัดภพตัดชาติให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติไตรสิกขาสิ่งฉมาที่ปัญญา เวลาทําสัญญาบวชไม่ไม่ไม่ไมาเปิดสัญญาดูนี่ว่าที่เราทําสัญญากับกับการกระทํามเรานี้มันตรงกันหรือเปล่านาับนับประกันได้นะไปคนละเรื่องเลยเวละบวชนี่ท่องอย่างดีเลยเอซ่าห่างพันเตศจิระปาริมิพุตตาปิตาอะไรเนี่เราไปอ่านคำแปลเลยครั บ, บแล้วมาดูว่าทําสัญญาตามที่ได้พูดได้ทําตามสัญญาในวันที่บวชหรือเปล่า เพราะการก่อนจะบวชนี่ต้องเป็นวาจาบอกว่าข้าพเจ้าจะมาบวชเพื่ออะไรค ร, ครับคุณดวงพรครับขอความเมตตาค่ะทําไมเราต้องโกรธและโมโหง่ายกับเพื่อนร่วมงานเจ้าคะเพราะเรามีความหวังจากเขาไงอยากให้เขาทาอย่างนั้นทำอย่างนี้พอก็ไม่ทําอย่างที่เราหวังเราก็โกรธเขาแล้วเนีถ้าไม่อยากจะโกรธอย่าไปหวังก็ดูคนที่เราไม่หวังที่เราโกรธรับเนี่ย คนที่เราไม่เลยหวังอะไรจากเขาก็าจะทำอะไรเราไม่เห็นเป็นเดือดร้อนเนี่ยเราไม่โกรธเขาหรอกถึงแม้เขาไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เขาเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากเขาแต่พอเราไปหวังนิดนึงหวังให้เขาให้เราร้อยเนี่ยก็ให้เขาให้แค่ห้าสิบก็โกรธเขาแล้วเชื่อไหมก็เคยให้ร้อยทั้งหมดนนี่ให้ให้แค่ห้าสิบ ความหวังความอยากนี่ยที่ทําให้เราโกรธกัน ค, คุณสิริการครับการสวดมนต์มีอํานาจให้เราพ้นทุกข์ที่เราคิดว่าว่าจะช่วยได้แบบนี้จะใช่ความเป็นจริงไหมครับพ้นทุกได้ในระดับหนึ่งชั่วคราวเวลาสวดมนต์ใจเราก็อยู่คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์นั่นเองบางทีเราเพียกียวกับเรื่องการเงินการงานคิด้ยนเกียวกับเรื่องครอบครัวเพี้ยนเกี่ยวกับเรื่องของลูก เราก็เข้าห้องพระไปนั่งสวดนมนต์พเพราะเราสวดมนต์แบบมีสติไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ความเครียดที่เกิดจากความที่ถึงลูกมงปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปชัว่วคราวพอเราเออกมาจากห้องพระพอเรามานั่งคิดใหม่ก็จะเครียดขึ้นมาใหม่ ไ, ได้ถ้าาอยากจะไม่ให้เครียดเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราเครียดนี้เป็นอะไรเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับได้ไหรือไม่ ตามหลักธรรแล้วพระเจ้าเราไม่มีอะไรที่เราจะควบคุมบังคับได้ไปตลอดอาจจะบังคับได้บางเวลาควบคุมได้บางเวลาแต่าจะให้ควบคุมบังคับให้เป็นไปตามความต้งองการเราทุกเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้เวล า, หาเห็นอย่างนี้เราก็จะได้เราก็ได้หยุดความอยากที่ไปควบคุมบังคับเขาปล่อยเข้าไปเขา อ, อยากจะดื้อเขาปล่อยเขาดื้ดอไปเขาอยากจะไปกินหน้ามางาองยาก็ปล่อยเข้าไปเพระเราห้ามเขาไม่ได้ เราก็จะหายเครียดหายทุกข์ด้วยปัญญาอย่างท้าวอนทุกครั้งเราคิดถึงเขาเราก็จะไม่เครียดกับเขาทุกข์กับเขาแล้วเพราะเราปล่อยเขปล่อยใหก็ไปไ ป, ไปตามเรื่องครับคุณสมพรครับในแต่ละวันทุกคนต้องทานอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่โยมต้องใช้เงินซื้ออาหารอาหารอย่างไรที่ไม่สนองตอบต่อกิเลสต่อความอยากครับต้องใช้เกณฑ์ใดมาพิจารณาครับ คือของที่เราชอบเนี่ยเป็นเรื่องของกิเลสเราชอบกินอาหารชนิดนั้นอย่างนั้นอาหารอย่างนี้เนี่แหละคือเป็นการตอบสนองตันดหาความอยากมาวิธีที่จะกินแบบไม่ตอบสนองความอยากเช่นถ้าเราไปร้านอาหารก็บอกให้ hey, หนูเอากับข้าวมาสักของสามอย่างอะไรก็ได้ท่านอย่างนี้ไม่ได้ทำตามความอยากไว้ให้เขาจัดอาหารมาให้อย่างภาค้าไปบินตบะเนี่ย เป็นตลาด ก, ก็ไปสั่งโยมให้ทําก๋วยเตี๋ยวทําข้าวผัดมาให้ไม่ได้นล้วแต่โยมมีอะไรจะใส่ก็ใส่ไปก็กินตามมีตามเกิดเนื่นถึงได้เียกว่ากินแบบไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตอบสนองความต้องการกินแบบไม่เป็นกิเลสก็คือให้กินแบบตามมีตามเกิดไปหรือถ้าถ้ากินตามมีตามเกิดมันจะไปเจอของที่เราชอบอยู่วิธีที่จะทําลายความชอบนั้นก็เอาอาหารที่เราชอบกับอาหารที่เราไม่ชอบมาคู่กัน มารวมกันหืออาหารที่เราชอบหลายหลายอย่างมาคุบรวมกันก็ได้เราชอบข้าผ่าก็ใส่เข้าไปเราชอบต้มยำใส่เข้าไปเราชอบขนมเค้กเอาใส่เข้าไปแล้วก็คุกแล้วกินกันตอนนั้นสัยมันก็ต้องไปรวมกันในท้องใช่ไหอาหารเหล่านี้ถ้ากินแบบนั้นอ่ะไม่ได้เป็นการกินแบบกินแบบกินกี่เล็กินแบบกี่เล็กินแบบธรรมะกินแบบข้างกี่เล็ เ น, นี่ยพระทุนดวท่านไม่ยอมฉันในบาตรกันเนี่ยนั้งหลายที่ท่านจะฉันนี้เทเข้าไปในบาตรแล้วก็มีมีมีสามลักษณะแบบแบบแบบไม่นุนแรงแบบธรรมดาธรรมดาก็แยกส่วนเอาข้าวไว้มุมหนึ่งข้าวไว้มุมหนึ่งของขวานของหวานไว้มุมหนึ่งอันนี้แบบแบบแบบเบาๆแบบไม่ไม่หนักแล้วแบบปานกลางก็คือไม่แยกส่วน จะใส่อาหารเข้าไปตรงไหนก็ได้กับข้าอยู่ตรงไหนก็ได้ของหวานอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ไปยากเสียแล้วแบบรุนแรงแบบแบบอดทนก็คือคุก ม, มันเลยอาารทุกอย่างที่จะกินนี้คุก ม, มันเินบาทแล้วก็เป็นอาหารเหมือนเหมือนเป็นเป็นเหมือนข้าวผัดอย่างเงี้ยรวมมิตทุกอย่างคุก ม, มันเข้าไปเนื้อาหารสุนทรเมื่อเรากินดังนั้นเนะ่ยเป็นการทําลายกิเลสเวลากินครับ ตอนที่ผมบวชผมทําแบบที่หนึ่งครับอาจารย์แยกวงกันครับยังยังสู้กินเลยไม่ไหวยังกินเหล่เราขอขอขอแบ่งไว้ก่อนเนี่ยวผักใบใหญ่ๆมาขวางด้วยครับอาจารย์ถ้าถ้าไปอยู่ที่วัดตามวัดตานี่เราถ้าไม่มีโอกาสจัดอาหารเองนอะหารนี่จะให้พระแต่ละรูปเอาอาหารที่รับจากหลวงตามาตักใส่บาตรเข้าไป เพระแต่รู้ท่านก็ไม่ไปเรื่อกแยกส่วนให้เท่ากับใส่เข้าไปใส่เข้าไปตัดมืนก็ตัดก็มันกับญาติโยมเวลาตักบานใส่บาตัดใส่เข้าไปใส่เขาอาหารชอบไม่ชอบว่าเข้าไปในบาตแล้วก็ไม่รู้อยู่ตรงจุดไหนรับางวันไม่วันไห น, น, นที่ยยยมีญาติโยมมาเยอะพอเก่านอนดูว่าหาในบาตผมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันปล่อะไรนเลยหมแต่ก็กินได้เพราะเราไม่ได้ไปกินเพื่อไม่ได้กินตามความอยากไม่ได้กินตามความชอบ กินเพื่อเป็นเหม น, นะเป็นแบบความเห็นเป็นปนยารักษาโรคอย่างนั้นกินแบบกินยาระอาจารย์ก็ฉันแบบนี้มาเก้าปีเต็มๆเลยครับอาจารย์เราตลอดที่อยู่ที่นั่นนะอยู่ที่มาตรางนานต่างไม่ไม่มีการจาดอาหารตัอของตัวเองนายยงเป็นนงตาองเดีย ที่ญาติที่พระจะรับประเค้เขาที่ญาติโยมถวายแล้วก็ส่งมาให้หล่มตานตาท่านก็จะตัดชิปช้อนหนึ่งใส่บาท่านแล้วนั่นก็จะมีพระมารับแล้วก็พระอาค์นั้นก็จะเอาอาหารที่รับจากนุ่มตาไปแบ่งตัดใส่บาตระทัพพีหวานะทัพพีไปนั่นเอคุณเชิดแต้มครับตอนนี้ลูกทําให้ทุกข์มากๆแบบสาหัสเลยต้องทําอย่างไรคะ ลูกทำให้ทุกข์หมายถึงลูกของตัวเองทําให้เราทุกข์หรือว่าเราทับตัวเองให้ทุกข์เหมือนกับลูกทําอะไรบางอย่างแล้วตัวเองทุกข์นะครับอาจารย์ฉันเห็ตัวลูกเขาลูกเขาบุตรเขาทำหรือว่าตัวเขาเองทําตัวเขาเองผมผมอ่านแล้วเหมือนกับว่าเขาทุกข์เพราะเพราะเรื่องลูกนะครับอาจารย์ลูกลูกใช่ไหมเรื่องทุกข์เรื่องลูกเพราะว่าเราอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ครับพอเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เลยทุกข์ เราก็ต้องพิจาแล้วว่าเขาเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เขาเป็นเหมือนส้มอย่างเงี้ยแล้วเราอยากให้เขาเป็นกล้วยเป็นไปไม่ได้เราต้องหัดยอมแล้วว่าหัดหัดยอมรับว่าเขาเป็นกล้วยยอมรับว่าเขาเป็นส้มแล้วพยายามปรับใจเราให้รับกับความเป็นของเขาให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไม่ใช่ห้ามไม่ให้เปลี่ยนแต่ถ้าเปลี่ยนเขาไม่ได้เราก็ต้องทําใจเราก็จะไม่ทุกข์ยอมรับว่าเขาเป็นแบบนี้ เมื่าวันีนิสันมีมีมีนิสัยสันดาลติดตัวมาที่แก้ไม่ได้ใครก็แก้ไม่ได้เขาต้องแก้ที่ตัวเขาเองแต่ถ้าเขาไม่แก้ก็ไม่มีใครจะแก้เขาได้พ่อแม่มีหน้าที่บอกมีหน้าที่สอนนะั่นนเมื่อสอนแล้วบอกแล้วเขาไม่ทำตามว่าทำอะไรไม่ได้แนละ้วนั่นก็อย่าไปทุกกับเขาถ้าเราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วพ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนเลอาสั่งสอน แต่ลูกเมื่อไม่ไม่ไม่ยอมรับคำสั่งสอนก็ทำอะไรเขาไม่ได้คุณมิกซี่ทีวีครับผู้มีความเพียรที่มรรุธทําได้ภายในเจวันเจเดือนหรือเจปีท่านปฏิบัติตนอย่างไรบ้างครับจำเป็นต้องมีสติตลอดเวลาไหมครับแล้วท่านเป็นท่านประพฤติกายวาจาใจอย่างไรถึงบรรลุศรได้ตามกำหนดครับส่วยท่านจะอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครไครุขีขาดเพวิเพก การเจริญสติทั้งการตื่นจนห ล, ลับสลับกับการนั่งสมาธิสลับกับการเจริญปัญญาคุณกมำมณฑำครับตอนนี้มีปัญหาคือเวลาคุยกับคนคนหนึ่งจะรู้สึกหงุดหงิดําคาญใจทุกครั้งที่คุยกันเคยใช้วิธีคิดว่าเราหงุดหงิดเพราะเราไม่ถูกใจก็ดีขึ้นแต่บางครั้งสติมาไม่ทันเวลาคุยขอวิธีแก้ให้สติมาทันอารมณ์ด้วยเจ้าค่ะ ก็ขอยเตือนว่าเวลาเราจะคุยกับใครบอกว่าอย่าไปหวังอะไรจากเขานะเขาจะพูดอะไรเรื่องอะไรของเขาก็าปล่อยเขาพูดไปถ้าเราไปหวังเราไปตั้งความหวังตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วก็จะทาพูดเรื่องที่ถูกใจเราพอเขาไม่พูดเรื่องที่ถูกใจเราเราก็จะเกิดความอามณ์เสียขึ้นมาได้โมกิดขึ้นมาได้ mm hmm. พยายามฝึกใจสอนใจว่าอย่าไปหวังอะไรจากใคร mm hmm. <Okay. S 2> เขาจะให้อะไรเรามาก็รับไป เราจะเรื่องที่ถูกใจเรามนาะฟังก็ฟังไปเรื่องที่ไม่ถูกใจเราฟังก็ฟังไปแล้วเราก็จะไม่เหมือนคุณวัชระครับเวลาเกิดเวทนาจากความเจ็บป่วยควรวางใจอย่างไรคะเคยได้ยินธรรมโอสถเป็นอย่างไรคะก็ทําใจให้สงบไงใจอ ย, อ, ยอย่าไปอย่าไปกังวลอย่าไปอยากให้อาการเจ็บป่วยหายไปเมื่อมันไม่หาย ก็ปล่อยมันอยู่ไปตามสภาพของมันส่วนใจเราก็หนึ่งใจเราออกจากร่างกายอย่าไปสนใจร่างกายให้มาหาสิ่งที่ทําให้ใจนิ่งสงบเช่นสวดมนต์ก็ได้บริกรรมพุโทโธพุโทโธก็ได้นั่งดูลมหายใจเข้าออกก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้ใจไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องของความเจ็บปวดของร่างกายแล้วใจก็จะสงบแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บปวดของร่างกายจะป่วยของร่างกาย คุณสมพรครับการสวดมนต์สั้นๆก่อนนอนถือว่าพอเพียงหรือเปล่าครับโยมสวดมนต์สั้นๆกราบหมอนก่อนนอนครับ เ, เหมือนการกินอาหารหน้อยๆมันก็ได้ผลนะกินอาหารมากมันก็อิ่มมากกินอาหารน้อยมันก็อิ่น้อยครับคุณดวงพรครับทำไมเวลาลูกทำอะไรแล้วไม่ถูกใจเราถึงได้โกรธลูกมากมายคะเพราะเราอยากให้เขาทำ สิ่งที่ถูกใจเราสิเราก็ไม่ทํำสิ่งที่ถูกใจเราเราก็โกรธเขาอย่าประหยัดปล่อยว่าเขาอยากจะทําอะไรก็ทําไปถูกใจเราไม่ถูกใจเราก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธรับคุณทัศครับช่วงนี้การปฏิบัติของโยมีความสงบได้สองถึงสามวันจะรู้สึกสงบสบายมีความสุขจากข้างในแบบอธิบายไม่ถูกแต่ทําได้แค่สองสามวันพอเข้าวันที่สี่ห้าหก ก็เข้าสมาธิไม่ได้แบบเดิมคิดโ น, น้นคิดนี่เอาไม่อยู่เป็นแบบนี้วนไปเป็น loop รบกวนพระอาจารย์ช่วยแนะนําครับพอเราหยุดการเจริญสตินั่นเองพอเราสงบแล้วเราก็ชะล่าใจเราก็เลยคิดว่าเรามีสติพอพอเราไม่เจริญสติเราก็ปล่อยใจให้รับคิดพอปล่อยให้คิดมากๆก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาเพราะจะเข้าสมาธิมันก็เข้าไม่ได้ดังนั้นอย่าทิ้งสติถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเราจะดีขนาดไหนก็ตาม เราก็เรองจำเริ่อสติต่อไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจำหับแล้วเราไ็จสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งทุกวันทุกวันทุกเวลาคุณพองเบิ่มครับจิตส่งนอกผิดหมดจริงไหมครับการที่เราจับพุทโธในชีวิตประจําวันคงได้แค่สงบสมาธิคงต้องเข้ามาเข้าป่าเข้าวัดรักษาสีไหมครับเทศหลวงตาท่านว่าสติจับพุทโธจนไม่รู้เข้าใส่อะไรในบาศ แสดงว่าสติพุโทโธอย่างเดียวตลอดน้องกางสารทุกข์เท่าไหถ้งท่านไม่สนใจจากอะไรท่านก็เปิดสาบัไปเป็นกิริยาไปแต่ใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปบางทีคนเดินไปเดินมาผ่านไปยังไม่รู้เป็นใครเลยก็มีเพราเราจดจ่ออยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเงี้ยหมือสมัยเนี้ยคนจดจ่ออยู่กับมือถือกันนยเดินไปดูมือถือกันไปบางทีแตะโุ่นตกท่อก็มีบางทีเดินไปแล้วตกท่อเพราะไม่ดูถนนเนี้ย ไม่ดูทางเดินเพราะมมีมีสติอยู่การดูดูมือถือแต่สติแบบนี้มันไม่ดีตรงที่ว่ามันไม่ทาให้ใจเน่ยเพราะสิ่งที่สิ่งที่มีอยู่ในถือมือถือมันทาให้ใจคิดพอเราดูในเราต้องคิดคิดใจมันก็ไม่สงบแต่มีสติมีสติอยู่การดูถึงขั้นที่ไม่ไม่ไม่สนใจเราเรื่องอื่นนากตัวเราเลยแต่ถ้เป็นสติมันไม่ถูกทงคน ให้มาทานทีดูมือถือให้มีสติอยู่กับพุโทโธอย่างเนี้ยาจะเป็นสติที่ดีเพราะการมีสติอยู่พุโทโธมันจะทำให้เราหยุดคิดได้จะทำให้ใจเราสงบจะทำให้ใจเรามีควัมสุดคุณเข็มจีลาครับวิปัสสนากรรมาฐานในสถานที่ปฏิบัติธรรมกับนั่งสมาธิห้านาทีก่อนนอนที่บ้านนั่งได้นานไม่เท่ากันเลยค่ะมันเกี่ยวข้องกับมีภูมิธรรมของตนเองหรือเปล่าครับ มันขึ้นอยู่กับสติมีมากมีน้อยไม่ไม่ทราว่าวิาปัสสนากรรมฐานอะไสมาธิปฏิบัติทำนี่มันเกี่ยวกับอะไรกับการนั่งสมาธิห้านาทีก็ไม่ทราบการนั่งสมาธิจะนั่งนน ไ, นน ไ, ได้นานไม่นานไม่เนินนานนี้อยู่ที่กําลังของสติของเราว่าเรามีสติที่ต่อเนื่องมากมือน้อยส่วนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคําว่าวิปัสสนาก็คือการเจริญปัญญา การสอนใจให้ให้เข้าใจหลักของอริยสัจสีกันลั ก, กทุ้มงตาแล้วว่าเป็นอย่างไรคุณสัจจาครับเคยทำให้แม่ร้องไห้สมัยเด็กเรื่องว่าแม่มีลูกเยอะแม่มีลูกสิบเ็ดคนพ่อแม่เดียวกันทำให้จนขอซื้ออะไรก็ยากผ่านมาสี่สิบปีแล้วนึกถึงเมื่อไหร่ก็ยังทุกข์ใจค่ะบทำอย่างไรถึงจะหายครับ ก็อย่าไปคิดเลยอย่าไปคิดถึงมันมันผ่านไปแล้วแล้วถ้าคิดแค่ิดว่านี่เป็นเป็นบทเรียนสอนใจเราว่าเราเราคิดไม่ดีก่อแม่เราไม่เข้าใจแม่เราไม่สงสารแม่เราเห็นแก่ตัวคิดแต่เอาแต่มันจะได้อย่างเดียวเอาไม่ได้ก็เลยเสียใจโกอดแม่กันนั่นก็เอามาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วก็หยุดคิดถึงมันเสียเพราะมันผ่านไปแล้วทําอะไรไม่ได้แล้ว โอครับนี่คำถามไม่จบครับการนันสการพระอาจารย์ค่ะเป็นโรคซึมเศร้าสองปีที่แล้วเขรับการรักษาโดยจิตแพทย์นักจิตปริยาบําบัดนับว่าเป็นสองปีที่สาหัสมากในการปรับยาสภาพเหมือนหุ่นยนต์ก่อนรักษาเคยช่วยตัวเองด้วยการศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่อาการหนูไม่นิ่งเลยค่ะไม่มีสมาธิในบางทีที่ดูข่าวบางเรื่องในสมมุติสงบางองศรัทธาหนูเริ่มถอยค่ะหนูบาปไหมคะที่บางครั้งหนูมีอคติแต่พอการรักษาเข้าปีที่สามอาการหนูนิ่งขึ้น กับติดตามคุณหมอบางทีหนูไม่ทันก็มักจะมาหาคลิปย้อนฟังรู้สึกสงบขึ้นเมื่อติดตามเพจครับก็ดีการรักษามันก็มีมันก็มีการมีลงเป็นเรื่องธรรมดายัางถ้ารักษาถูกวิธีมันก็จะทําให้ได้ผลดีมีผลดีการรักษาเรื่องจิตนี้มันต้องรักษาด้วยธรรมะดีที่สุดเพราะธรรมะเนี่ยปัญญารักษาโรคจิตโดยตรง อยู่ที่ว่าเราสามารถเอามาเข้ามาใช้กับตัวเราได้น่าเท่าฉลาดก็คือสติและปัญญานถ้าเราสามารถฝึกสติควบคมอารมณ์ได้ใจเราก็จะสงบแล้ะการซึมเศร้ามันก็จะหายไปแล้วถ้าเราสอนใจให้มีความฉลาดให้ลดน้บความอยากต่างๆได้เราก็จะทําให้ความซึมเศร้านี้ไม่เกิดขึ้นมาไหม่เพราะความซึมเศร้าส่วนใหญ่ก็เกิดจากความผิดหวังจากความอยาก อยากได้สิ่งใดนะแต่พอไม่ได้หนักใจมันก็เศร้าขึ้นมาเสียใจขึ้นมาอืพยายามรักษาไปเรื่องธรรมะดีที่สุดแต่ถ้ายังต้องอาศัยยาอยู่มากถ้ามันเป็นสิ่งที่ช่วยกันได้ก็ชก็ใช้ได้แต่ถ้าถ้าธรรมะของเราแข็งมากจริงๆไม่ต้องใช้ยาก็ได้เพราะโรคจิตนี่มันไม่ได้เป็นนอกของร่างกายมันเป็นนอกของจิ ต, ตสิ่งที่รักษาจิตได้ก็คือธรรมะอุอสถนี้เท่านั้นเอง คุณสนั่นครับเวลานึกถึงเรื่องที่เราเคยทำไม่ดีหรือเรื่องที่เคยพลาดไปบางครั้งก็ไม่มีเจตนาแต่จิตใจก็เศร้าหมองพยายามแผ่เมตตาให้ตัวเองและพวกเขาเหล่านั้นประจำอันนี้ถูกต้องไหมครับแล้วมีวิธีไหนเพิ่มเติมไหมครับที่จะทําให้ลืมเรื่องราวที่เราพลาดไปครับก็ก็มันเป็นบทเรียนสอนใจเราว่านี่เป็นการกระทําที่ผิดพลาดของเราเราควรที่อยากไปทำสั้นหนะึ่งแล้วพยายามเรียนมันเสีย ถ้ามันจะคิดอีกเราก็ใช้พุโทโธพุโทโธใช้สติยับยับไปทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเศร้าใจเราก็พุโทโธพุโทโธไปคุณอูตี้ครับการเป็นถามพระอาจารย์ถ้าเราไปทานอาหารในร้านทะเลที่มีพวกกุ้งปลายัางเป็นเป็นอยู่และขอทำสดส ด, สดตามที่สั่งอย่างนี้คงคนสั่งหรือคนที่ทานจะผิดศีลข้อหนึ่งไหมครับถ้าถ้ า, ถ, าถ้าเราสั่งแล้วเขาไปทา เอาหาเนี่ยที่เราสั่งปลาทอดแล้วเข้าไปเอาปลาที่อยู่ในในตู้มาฆ่าแล้วมาทอดให้เราเราก็บาปาแต่ถ้าเราสั่งมาก่อนว่าเอาเอาปลา ท, ที่ตายแล้วนะแล้วเขาบอกไม่มีปลา ท, ที่ตายแล้วก็เอาเอ า, เอาผัดผัดผั ด, ผดแทนก็แล้วกันถ้าไม่อยากจะทาําบาปมันก็กินอิ่เหมือนกันอนะ่ะจะกินปลาทอดแล้กินผัดผัดมันก็กินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันด <c oughs> ังนั้นถ้าเราอยากจะ รักษาสีนข้อหนึ่งก็อย่าไปสับป่าถ้าเราคิดว่าเขาจะต้องเอาป่าที่เป็นนี่มาค่าเพื่อมาทําอาหาให้กับเรแต่ถ้าไปร้านที่ตายแล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรครับร้านที่เขาไม่มีของสดแช่อยู่ในตู้หน้าร้านเป็นอย่ยางไราเอาของสดนี่มาล่อใจของกินใช่ไหมปลาสดสดรุ่งสดสดปลาหมึกสดสดอะไรอย่างนั้นเราก็ต้องถามก็ว่ามีของที่ตายแล้วไหม ถ้าเขาบอกมีก้าวของที่ตายนะอย่างนี้เราก็พนะ้นละส่วนก็จะไปเาของที่เป็นมาทําให้ตายกันเรื่องของเขาแล้วพราเราไม่ได้สายก็ทํา ค, คุณสุริยาครับคนที่ทําบุญหนึ่งร้อยบาทกับคนที่ทําบุญหนึ่งล้านบาทได้ผลบุญของทานเท่ากันไหมครับถ้ามีจิตมีความตั้งใจทําบุญเหมือนกันโดยไม่หวังผลตอบแทนเหมือนกันครับมันไม่ได้อยู่ที่ความหวังผลตอบแทนับมันอยู่ที่ ปรนมาณของการเสียสละของเราว่าเราเสียสละไปน้อยเท่าไหร่ในทรัพย์สินของเราชึงสมมติเรามีร้อยหนึ่งแล้วเราทําบุญร้อยบาทไปเราหมดเนื้อหมดตัวยาหมดเนื้อหมดตัวไม่มีงเงิน อ, อยู่แล้วอยู่ถ้าเราทําบุญร้อยเปอร์เซ็นตเราก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงสุดชั้นที่หกส่วนในคนที่มีเงินหนึ่งล้านถ้าเขาทํทําทาบุญล้านหนึ่ง เขามีทรัพย์สินอยู่สิบล้า น, น, เ, าานเนี่ยเขาทำแค่ร้อยละสิบเท่านั้นเองเขาก็จะได้สวรรคชั้นต่ำกับคนที่ทำร้อยบาทเพราะได้ชั้นชั้นได้ชั้นที่หนึ่งชั้นต่ำที่สุดแล้ก็ทำเพียงร้อยละสิบของทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่ยังต้องวัดอยู่ที่ส่วนจัด ส, ส่วนของทรัพย์สินที่เราเสียไปเราเสียกี่เปอร์เซ็นต์เสียห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ชั้นสามมันเนื้นอหกช ตอนยังมีหลายชั้นไงก็อยู่กับการเสียสละของเร า, าเราเสียสละมากเสียสละน้อยอันนี้เราเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ได้นัด้ว ย, ด, วยด้วยตัวเงินเราเปรียบเทียบได้ด้วยด้วยสัดส่วนของเงินที่เขาเสียสละไปถ้าห้าสิบเอร์ซนตเท่ากันก็ได้สวรรค์ชั้นเดียวกันแต่ป ร, ริมาณเงินของของมันอาจจะไม่เท่ากันคนหนึ่งห้าสิเปอร์เซ็คือร้อยบาทอีกคนหนึ่งคือหมื่นบาท ก็ถือว่าได้ได้ผลบุญเท่ากันได้ความสุขใจเห็ในใจเหมือนกันอาจารย์ครับแต่ทานนี้จะพาไปได้แค่สวรรค์เลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็ไม่แน่ด้วยถ้าไม่รักษาศีลถ้าถ้าบาปมันมากกว่าทานก็ยังถูกล็อกไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ส่งผลให้ครับเช่นถ้าเรายังทําบาปอยู่แล้วเราทําบุญด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ก็อยู่ว่าส่วนไหนจะมากกว่ากัน ถ้าบาปเกิดมีมากกว่าบุญนี้บุญยังไม่สามารถส่งผลได้เพราะถูกบาปนี้แยกไปแยกจิตไปรับโทษก่อนไปรับผลของบาปก่อนยกเป็นว่าถ้าเราทําบุญมากกว่าทบาบาปนี้บุญก็จะมีกําลังมากกว่าก็จะดึงจิตไปรับผลบุญก่อนที่จะไปรับผลบาปได้ยันต้องทําทั้งสองอย่างคือไม่ทําบาปแล้วก็ทําบุญด้วยถ้าทําบุญแล้วก็ทําบาปด้วยมันก็เหมือกับ น้ำร้อนกับน้ำเย็นมาปนกันเนี้ยครับ <Okay. S 1> ที่เขาเขียอยู่ว่าอันไหนมากกว่ากันถ้าน้ำร้อนมากวากว่าก่อนน้ำเย็นน้ำก็ร้อน <Okay. S 1> ถ้าน้ำเย็นมากกว่าน้ำร้อนน้ำก็เย็นใจก็เหมือนกันใจก็เหมือนน้ำเนี่แหละใจเย็นใจร้อนใจสุขใจทุกข์ที่ป้าจาย์เคยบอกเหมือนมีเป็นหมาน่ารักที่เขาเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอาจารย์อ่อันนี้ก็เป็นแบบว่าทํานดูด้วยแล้วแต่ก็ทํำบาปด้วย บางมีกําลังมากกก็เดินไปไปไ ป, ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่น่าจะได้ทําบุญมาบุญนี้ก็มาช่วยสนับสนุเนเรื่องปจัจจัยสีให้ได้อยู่ดีกิน ด, ดีได้เจอสปอนเซอร์ที่เมตตาเอาไปเลี้ยงดูครับคุณชื่ออะไรครับจะทําจิตให้สงบอย่างไรครับเมื่อเราต้องอยู่ท่ามกลางาพลังงานลบพยายามมองว่ามันอนิจจังแต่ก็รู้สึกฝืนจิต ตรงกันข้ามกับเวลาอยู่โลกส่วนตัวแม้ไม่นั่งสมาธิแต่กระแสจิตก็มีความสุขพลังงานบวกมากกว่าขณะทํางานค่ะขอคำแนะนําให้จิตมีสุขขณะทํางานค่ะก็เราต้องเลือกเอาไงว่าแล้วต้องการความสุขใจหรือว่าเราต้องการเงินบางทีมันมันสองอย่างมันต้องแยกแยกกันเอาสองอย่างรวมกันไม่ได้ถ้าต้องการเงินก็ต้องเจอสภาพที่ไม่มีก็อยู่ในสิ่งแวดล่มที่ไม่มี ถ้าต้องการความสุขใจก็ต้องแยกตัวออกไปจากสิ่งไม่นอานที่ไม่ดีก็ต้องออกจากงานไปบางทีมันขาเอาทั้งสองอย่างรวมกันไม่ได้อยากาแฟร้อนดีแล้วเอากาแฟเย็นดีะาานะ <c oughs> มันยวทั้งสองอย่างเราปนเลย <c oughs> ไม่อร่อยเลยครับผม <c oughs> คุณวันเพ็ญครับการเรียนถามค่ะเราควรวางจิตยอย่างไรเมื่อเห็นคนไม่ทํางานตามหน้าที่ที่ความรับผิดชอบครับก็อมองเขาว่าเป็นเหมือนดินนะเป็นดินฟ้ากาันเราไปควบคุมครับดินฟ้ากาันไม่ได้คนจะตกแต่งจะออกนี่เราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเไม่ได้ก็เหมือนกันถ้าเราเคนไม่ทํางานตามหน้าที่เราเราไม่มีอำํำนาจที่จะไปจัดการกับเขาเราก็ต้องปล่อยวางมไม่งั้นเราจะทุกข์ไป ไม่โดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาก็ยังทําตามแบบเดิมของเขาอยู่เราก็ทุก ข, เขกเครั้งที่เราเห็นเขา <Okay. S 2> แต่ถ้าเรามองว่าเขาเป็นลินพาอากาศเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราก็เฉยสบายฮคนจะทําอะไรก็ทําไปเรื่อยทุกคณคุณรัฐพันธ์ครับพระอาจารย์ครับช่วยแนะนําหนังสือพระไตรปิฎกที่อ่านง่ายหนังสือที่มีศัพท์ยากๆอ่านไม่เข้าใจคะ่ะได้ไง ท, ที่พิมพ์มา เป็นเป็นจากคัตสูตรเนี่ยมีคัตสูตรห้าห้าคัตสูตรจากข้อา ต, าตัยพิดกแปลเป็นภาษาไทยนวลๆเลยไม่มีภาษาบาลเลยต้องขอจากคุณหมอดูหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ก็ได้ในเว็บไซต์พัตสุชา .com ก็มีให้ดาวน์โหลดได้ค่ะเดี๋ยคุณหมอเขาแน่นนะเขาหมอแจกอยู่ใช่ไหมหนังสือพวกนี้ตอนนี้แจกไปทั้งหมดที่ลงชื่อไว้เจ็ดร้อยสี่สิบเล่มแล้วครับระอาจารย์ครับชุดแรกนี้หมดไปแล้ว ถ้าคุณรัตพันธ์ถ้อยากจะได้ก็ลองติดต่อคุณหมออยู่หรือถ้าอยากยาอยากจะอ่านเองก็ได้นเนี่ยก็เข้าไปหาในพัฒน์ไตรพิเดแล้วก็อ่านเฉพาะภาษาไทยอ่านพะสูจน์ที่สําคัญห้าพิสูตรบมงคลรัศุดสติปัฏฐานสูตรธาากกรรมจักรปวัตนสูตรอธิตายาสูตรแล้วก็อนัตตลักษณ์ก็ักสูตรห้าสูตรนี้เป็นสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภาวนา สมาธิสีนสมาสมาธิท่านปัญญาขอโอกาสครับอาจารย์เมื่อกี้ผมได้คอมเมนต์ไว้ในไปสามารถจะไปดูลิงก์ในอ e ีบุ๊กเป็นอ e ีบุ๊กได้นะครับเมื่อกี้ผมค อ, อ<ห>มเมนต์ไว้ทุกชนใช่ ไ, <ห>ได้นะ ม, มีคุณไม่ประสงค์ออกนามครับถ้าการที่เราเป็นคนรักบุญสีนห่าจเจริญสติมาตลอดกลัวบาปไปยังติดใจบาปเก่าที่เคยทำแท้งเพราะความไม่รู้ ทำอย่างไรให้นึกถึงแต่บุญและลืมบาปเก่าได้คะทุกครั้งที่ที่ที่คิดถึงมันก็ต้องใช้สติหยุดมันความคิดที่เราหยุดมันได้ถ้าเรามีสติหรือสอนใจว่าคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากก็เอามาเป็นวลีสอนใจแล้วอย่าไปทําซ้ําอีกเพราะเนี่ยการกระทําบาปแล้วมันจะทําให้เราไม่สบายใจเป็นเวลาอันยาวนานะทุกไปทุกไปเป็นเวลายาวนานะทุกครั้งที่เราคิดถึงบาปที่เราทํามันก็จะทําให้เราทุกข์ใจ อามาคิดเป็นเปนดบเรียนสอนใจแล้วก็บอกว่าไม่ควรจะคิดต่อไปคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่สร้างความสร้างความทุกข์ให้กับเราไปเปล่าๆถ้ามันยังดื้อ ม, มันยังอยากจะคิดอยู่เราก็ต้องใช้สติคือพุโทโธพุโทโธเรือสวดมุนไปสู้กับมันไปเดี๋ยวก็จะหยุดเองคุณมาริสาครับ ชอบฟังธรรมและสวดมนต์ไหว้พระมาะตั้งแต่เด็กค่ะได้อ น, นิสงส์จากการฟังธรรมเวลาคนอื่นมาคิดร้ายมุ่งหวังร้ายกับเราว่าข้อที่หนึ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราต้องทําไม่ดีกับเขาสองให้เขาคิดร้ายกับเราดีกว่าเราคิดร้ายกับเขาเจ้าคะ่ะเป็นบททดสอบการรับมือปัญหาด้วยสติอย่างนี้ใช้ได้ไหมครับอาจารย์ได้ได้ถ้าทําให้เราไม่มีปัญหากับใครก็ใช้ได้ไม่ทุกกับใคร คุณปัทธรมวดีครับการไปนรกหรือสวรรค์จิตไปหรือรูปร่างไปเจ้าค้าแล้วจะรับโทษอย่างไรเจ้าคะ่ะจะเจ็บปวดทุกข์ยากอย่างไรเจ้าคะ่ะถ้าไปสวรรค์จะเอารูปร่างไปเกิดปบนสวรรค์ใหม่เจ้าคะ่ะไม่หรอกครจิตก็จะไปในระมบิดสิ่งต่างๆเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับจิตแล้วก็ในระเบิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาให้เราได้สัมผัสรับรู้ถ้าเป็นบีญก็จะในระเบิดเรื่องที่ดีเรื่องที่มีแต่ความสุข เป็นบาป ก, ก็จะในนั้นเรื่อ ง, งที่ไม่ดีมีแต่ความทุกข์ให้ได้เจ็บได้สัมผัสคุณพันธิว่าครับความสุขกับครอบครัวชื่อเสียงเงินทองคือโลกียะสุขความสุขที่ไม่เที่ยงใช่ไหมครับถูกต้องมันเป็นไตรลักษณ์มันเป็นความสัมผัช่วงยาแล้วมันจะกลายเป็นความทุกข์เวลามันหมดไปคุณรัตนาครับ พระอาจารย์คะคนใกล้ตัวไม่ชอบธรรมะจะโน้มน้าวยังไงดีคะไม่ให้กระทบกันแบบพูดซอฟๆนะคะอ๋ะอผู้ซอฟๆก็บอกว่าพี่พาน้องไปวัดหน่อยสิเนี่ยอยากจะไปทำบุญอยากจะไปทำธรรมพี่ไปด้วยกันเป็นเพื่อนให้อะไรหนอย่างเนี้ถ้าเขารักเราจริงเข า, าก็ต้องปั่นกับเราอย่าไปบังคับครั บ, รบต้องขอขอร้องเขาคือขอให้เขาทาให้เราแต่ความจริงเราต้องการทําให้เขา ให้ก็ได้ไปวัดได้ไปฟังเทศธรรมธรรมแต่ถ้าเขาทาเพื่อตัวเขาเขาอาจจะไม่อยากจะทําก็ได้แต่ถ้าเขารักเราแล้วเราขอร้องเขาก็ก็อยากอาจจะยอมทําเพราะเขารักเราเมื่อเราอยากจะไปฟังไปวัดไปฟังเทศสรรมธรรมก็ว่าอาจจะพาเราไปด้วยก็ได้ให้กับเราก็ได้ต้องมีอุบายของนี้ต้องมีใช้อุบายของที่พูดตรงๆแล้วมันไม่เกิดผลเกิดการต่อต้านก็เลยต้องใช้อุบาย คือแม่ให้เขาทําเพื่อตัวเขาให้เขาทําเพื่อเราถ้าเขารักเราเขาก็จะยินดีทําให้กําลังเอาไปวัดไปทาํทาทรรมาับเรา mm hmm. เช่นลูกบางคนนี่ก็ทําให้กับพ่อแม่แบบเนี้ยมีลูกคนหนึ่งขอพ่อแม่บวช <c oughs> แต่บวชชั่วคราวตามตามทําเนียมตามประเพณีว่าเป็นการทดแทนคุณพอมาบวชพ่อแม่ก็ต้องตามลูกมาวัดอยู่เรื่อยๆมาคอยมาใส่บาต นะครัี่สาราก็จะมีการแสดงธรรมเขาก็ได้ฟังธรรมไปด้วยจนกระทั่งเวลาหลังจากเริ่มลูกศึกไปแล้วเขาติดใจกับการฟังธรรมก็ามาอยู่เรื่อยจนกระทั่ ง, ง, ทงบัด น, นี้ลูกศึกไปตั้งห้าปีแล้วเขาก็อยากมาทำมาปฏิบัติมากขึ้นเลยมามาฟังธรรมบ่อยขึ้นเมื่อก่อนมาอาทิตย์ละครั้งเดี๋ยวนี้มาอาทิตย์ละสามสี่ครั้งก็มีเวลานี้เขา้าเกษียณอายุแล้วเขาไม่ต้องทำงานแล้วเขาก็เลยมีเวลาว่า เขไดสัมผัสทดแทนธรรมที่ชนะมดทั้ป่วยอันนี้ก็เป็นอุบายของลูกที่ยินดีเสียสละเมื่อป่วยเพื่อให้ทดแทนคุณแม่พ่อแม่การทดแทยก็คือหนึ่งพ่อแม่เข้าวันนี้เพราะถ้าได้เขาวัก็เหมือนกับช่วยหนึ่งพ่อแม่ให้ออกจากอบายเพรามาืเข้าวัดพระธรรวจน์ก็จะสอนให้รักษาศีลไม่ให้ทำบาปให้ถัแต่ คุณสาราเปาครับขอาการเรียนถามอาจารย์ค่ะทำอย่างไรจึงจะตัดความรักอันเกิดขึ้นเองในขณะที่ไม่ได้คิดอยากจะมีมีแต่ความอยากจะละแต่กลับยิ่งเจอคนที่ทำให้รู้สึกชอบใจพอใจค่ะก็ต้องนึกถึงส่วนที่ไม่สวยงามของเขาอย่ามองแต่เฉพาะด้านนอกอย่ามองแต่ภายนอกให้มองใต้เข้าไปใต้ผิวหนังในร่านการที่มันเหมือนกับเซนตีอยู่ใต้ ใต้น้ำนะทำไมคนก็แต่งรงไปดักประานะปาน้ํากันเพราะมีของมีโลกใต้น้าอยู่ให้หมองอย่างน้ไหมมีปาลาคาร์ฟ ม, มีปลาอะไรต่างๆร่างกายเราก็เหมือนกันะร่างกายเรามีทั้งส่วนที่อยู่บนอยู่บนผิวผิวน้ําอยู่เนืน้ำแล้บนสิ่งที่อยู่ใต้น้ําก็คือผิวหนังเนี่ยภายนอกผิวหนังก็ดูสวยงามดีแต่ภายใต้ผิวหนังเข้าไปดูแล้วมันก็จะเกิจ <c> ะ <ười> จะไม่เกิดอาการคลั่ขึ้นมาเกิดเกิดอาการเกล็ยดชังขึ้นมาก็ได้ไม่ชอบขึ้นลาก็ได้พอเห็นคอกระดูกของเขาเห็นลำไส้ของเขาเห็นปอดเห็นตับเห็นใตเห็นะอะไรต่างๆอันนี้มันก็จะทําทให้คลายความรัดได้อย่างรวดเร็วห <Okay. S 1> น่อยยังนั่งฝึกพิจารณาดูวาอาการ 3.2 อยู่เรื่อยๆมาเป็นนักศึกษาแพทย์เรียนเฉพาะวิชา กายกายภาักยังไหมก็จะกายวิายภากยังไหมกายวิยภักคุณศิลินครับพ่อจานค้าลูกไปเฝ้าคุณแม่ที่โรงพยาบาลพอลูกเห็นคนป่วยที่ต้องถูกเจาะคอและถูกดูดเสมหะนอนร้องโอดครวนลูกเห็นแล้วเกิดคิดในใจว่านี่มันนรกบนโลกจริงๆลูกมีความคิดว่า น, นรกมันเกิดจากการกระทําของจิตที่สร้างไว้ให้กายสังขารในภพนี้ ลูกคิดว่านรกสวรางล้วนเกิดจากการกระทําดีชั่วนี่เองใช่ไหมคะคือมันมีความทุกสองอย่างทุกทางใจนี้ก็เกิดจากการกระทําดีชั่วของใจไม่เกิดจากความอยากของใจส่วนทุกทางร่างกายนี่มันเป็นทุกที่มันตามมาโดยธรรมชาติของร่างกายร่างกายเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายซึ่งมันก็เป็นความทุกข์ทรมาร์ดทางร่างกายและเมื่อใจมาสัมผัสเข้ามาทุกข์กับมันอีกชั้นหนึ่งด้วย พอใจไม่ต้องการให้ร่างกายทุกข์ทรมานต้องการให้ร่างกายสบายพอร่างกายไม่สบายใจก็เลยทุกข์ไปกับความไม่สบายของร่างกายด้วยก็เลยมีความทุกข์สองชั้นทุกข์กายและก็มาทุกข์ใจด้วยยกเว้นผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนี้สามารถแยกทุกข์ใจออกจากปัญหาจากจักจากเหตุการณ์นี้ได้คือรู้จักวิธีดับความทุกข์ใจก็ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ที่ปวดของร่างกายปลไปให้มีแต่ความทุกข์ทางกายเพียงอย่างเดียว คุณหนูริ่งครับมีกรรมหนักเราสามารถใช้กรรมฐานแก้ไขกรรมได้ไหมคะกรรมฐานไม่ลบล้างกรรมไม่ได้แต่กรรมฐานนี้จะทําให้เรารับกับกรรมได้อย่างสบายเป็นเหมือนกับมีมีเอ่อมีเขราเสื้อกันกระสุนเน่ยเกราะกันกระสุนที่ตํำรวจเขาใส่นเวลาเข้าปฏิบัติการแล้วถูกถูกยิงเนีกระสุนก็จะไม่เข้ามาในร่างกาย แตนายถ้าปฏิบัติกรรมฐานจะมีเกาะคุ้มกันใจเวลาเกิดวิบากกรรมปรากฏขึ้นมามันจะไม่เข้ามาในใจมันจะอยู่ที่ร่างกายเช่นจูกคพ้เข้ามานั่งแคร์มาทำให้เราเจ็บตรง น, นั้นปวดตรง น, นี้มันก็จะเจ็บแต่เฉพาะที่ร่างกายใจจะไม่เจ็บด้วยเพราะใจมีกรรมฐานคอยคุ้มครองป้องกันแต่ถ้าไม่ปฏิบัติกรรมฐานก็จะไม่มีอะไรคุ้มครองใจ เวลาถูกทําง้งายทางร่างกายแล้วก็ใจก็จะถูกไปไปด้วยพร้อมๆกันก็จะแก้ได้ตรงนั้นแก้ทุกความทุกใจได้อยู่แต่ความทุกข์ทางร่างกายคือวิบากที่เกิดจากการทำบาปของเรานี้แก้ไม่ได้เมื่อถึงเวลาก็ต้องรับไปเช่นพระโมคคะลางะนี้ท่านไปบ้านหลานท่านยังต้องถูกเขาฆ่าตายเลยครับ <Okay. S 1> เพราะมันวิบากกรรมที่ทา่านไทำเอาไว้เมื่อถึงเวลาที่มันจะส่งผลท่านก็ต้อง ข้ท่านก็ต้องรับมันใจแต่ใจของท่านมีเกาะคุ้มกันใจท่านไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายคุณเอกราภครับความต้องการให้คนที่เรารักครอบครัวมีความสุขโดยใช้เมตตากรุณาจับว่าเป็นกิเลสหรือเปล่าครับ <c oughs> คือความต้องการนี้ต้องอยู่ในเหตุ้องอยู่ในเกาะของเหตุผลคือความเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่เป็นกิเลส ถ้ามันเกินความเป็นไปได้มันก็จะเป็นกิเลสขึ้นมาเพราะมันจะทําให้เราทุกข์ใจเวลาที่เราอยากว่าไม่ได้สิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราถ้าเราต้องการเราเป็นสิ่งที่เราทําได้ทําให้เขามีความสุขได้อันนี้มันก็ถ้าอยู่ในกรอบของความสามารถในกรอบของเหตุผลมันก็ไม่เป็นกิเลสดังนั้นคอยดูว่าความอยากของเรานี่มันอยู่เกินเหตุเกินผลหรือไม่ถ้าไม่เกินเหตุเกินผลมันก็ไม่เป็นกิเลส มีคุณรัตนาบอกว่าวันนี้สุขใจมากได้ไปวัดยานเจอพระอาจารย์แต่เห็นไกลๆครับกำลังให้อวัทธรรมในสวนที่ร่มรื่นมากได้แอบฟังแค่สิบนาทีก็สุขใจมากเลยค่ะบุญยังไม่ถึงจนได้ฟังจนจบครับฟังย้อนหลังก็ได้คุณกัปตันตโตโต้ครับวินาทีที่เรารู้ตัวว่าได้ปฏิบัติจนถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วมีตัวชี้วัดอะไรบอกครับ ก็เหมือนเวลาที่เราหายจากไข้เวลาเป็นไข้ั้นอยู่ดีๆไข้ก็หายไปเราก็รู้เวลาใจเราทุกข์แล้ทุกข์มันหายไปแล้วก็รู้ตอนนี้เราไม่มีทุกข์แล้วคุณอังคารอนาพรครับกําลังจะหลับตานอนสักพักอยู่ๆจิตนิ่งเห็นภาพเหมือนว่าจะข้ามมิติอันนี้คืออะไรคะก็เป็นเป็นเป็นการในระมิดของจิตนั่นเองเป็นการปรุงแต่งของจิต ไม่มีอะไรคุณยูกดีครับคนที่คิดแต่จะเอาเปรียบผู้อื่นถือว่าเขาได้ทำบาปใช่ไหมครับก็เป็นคนที่ขาดความเมตตา <c oughs> แล้วก็อยู่ที่ว่าการเอาเปรียบนั้นทำให้ผู้อื่นเขาเสียหา ย, ยนดะห่เช่นทำร้ายชีวิตเขาทาเอาทรัพย์สินของเขามามหน่อยอย่างนี้ถึงจะเป็นบา คุณเข็มจีลาครับภูมิธรรมกับบารมีธรรมสามารถมีได้ในคนธรรมที่ไม่ใช่นักบวชไหมคะคนธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชไหมครับมีได้เพราะภูมิธรรมก็คือสิ่งที่เราสะสมมาท่านก่อนเราอาจจะเคยเป็นนักบวชมาฝ่ายก็ได้เราก็สะสมภูมิธรรมที่สูง ข, ขึ้นมาได้ภูมิธรรมก็เช่นเป็นเทวดาเนี่ก็ภูมิธรรมเป็นพรก็เป็นภูมิธรรมเป็นพระที่รับุคคลก็อยู่ที่ว่าเราสะสมมามากน้อยเท่าไหร่ สะสมบารมีรรมาบมากน้อยเท่าไหร่เราก็จะได้ภูมิธรรมมากน้อยเท่านั้นคุณนาวาครับกับบิดามารดาเราควรตามใจท่านถ้าสิ่งที่ท่านต้องการไม่เป็นการละเมิดสีห้ส่วนบุตรธิดาเราควรเข้มงวดถึงจะเป็นสิ่งที่ไม่ผิดสีห้ก็ตามเพื่อต่อไปเขาจะได้ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวไปขอโทษกับสังคมยมเข้าใจถูกต้องไหมคะก็ก็อาจจะปฏิบัติเหมือนกันนะถ้า เวลาบรรดาต้องการในสิ่งที่ถึงแม้ไม่ผิดศีลแต่มันก็เป็นกิเลสถ้าเราถ้าเราห้ามได้กนกรจะห้ามแถ้าเราห้ามไม่ได้นึกไม่อยู่ในฐานะก็ก็ปล่อยท่านไปก็ได้ท่านโตแล้วท่านรู้ผิดถูกดีชั่วแล้วเอย่างที่ยอมพูดนี้ก็ถูกกับวินาบรดาแล้วก็ทํตตาตอบสนองคำต้องการของท่านไปถ้ามันไม่เป็นการผิดศีลผิดกฎหมายก็ทําไปให้ท่านมีความสุขเป็นการทดแทนบุญคุณ ส่วนลูกเราเราก็ต้องอยากตามใจของถึงแม้ไม่ผิดศีหลห้าเราไม่ให้เขาชอบของฟุ่มเฟือยของรูหรานียเราไม่ควรจะ ส, งส่งเสริมเขาเราควรจะสอนให้เขามีชีวิตมน้อยให้มีนิสัยมน้อยสัมฤกเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับเขาต่อไปเวลาที่เขาตกทุกข์ได้ยากเขาจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเขาได้ถกงนี้มาให้อยู่แบบรูหราอยู่แบบฟุ่มเฟือยเวลาถ้าชีวิตเขาตกต่ำนี่เขาจะทุกข์มาก เขาก็จะไม่รู้จักวิธีปรับตัวของอเขาเองอย่างนั้นก็ใคยฝึกให้อยู่แบบมากน้อยสั้นเดนิถ้าเกิดชีวิตเขาตกดับเขาก็จะปรับตัวเขาเองได้คุณชมพูครับการทําบาปทางวาจากับการทําบาปทางใจอันไหนบาปกว่ากันเจ้าคะ่ะเ อ, อ๋อมันต้องทำพร้อมกันคือใจต้องคิดก่อนมันถึงจะพูดได้ถึงจะทําทางร่างกายได้ใจเป็นรู้สั่งการ ตันพังก็ไม่มีใจแล้วร่างกายทำงานไม่ได้ตามแพังของเขาเองคุณชื่ออะไรครับการที่เราต้องใช้ชีวิตกับคนที่เขาหมกมุ่นแต่การมาตันหาส่วนเราเบื่อหน่ายมันคือสภาวะศีลไม่เสมอกันไหมคะเพราะว่าการตันหาไม่สัมไม่เสมอกันมากกว่าความอยากไม่เสมอกันครับการ็ควรจะยากกันอยู่มันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เลครับ คุณวีรพงศ์ครับผมภาวนาพุทธโธโดยดูลมเข้าพุทออกโธแต่พระอาจารย์เคยบอกว่าให้เลือกอย่างไรอย่างหนึ่งผมเลยลองภาวนาพุทธโธอย่างเดียวแต่มันรู้สึกเหนื่อยเพราะมักจะพุทธโธแบบเร็วๆ เ, เพื่อจะไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นแต่พอผมลองพุทธโธแบบช้าๆก็มักจะมาดูลมเข้าพุทลมออกโธตลอดแบบนี้ผมควรปฏิบัติอย่างไรดีครับอย่างนั้นที่ได้ผลดีก็อย่างนั้นแต่เพรแต่ละคนเจริญนิสัยไม่เหมือนกัน จะพูดธข้าทัอรอ์ก็ได้จะดูลมอย่างเดียวก็ได้พูดโทัพูดโทร์ทรอย่างเดียวก็ได้ดก็ไมืองกลับได้เหมือนอาหารนะ่ะจะกินก๋วยเตียวก็ได้กินข้าวผัดก็ได้กินโจ๊กก็ได้ขอให้มันกินแล้วมันอิ่มแล้วกันให้มันได้ผลแล้วกันคุณสมสกุลครับคนที่เรารักอภัยได้ที่เราเกียดทำไมอภัยไม่ได้ครับ เพราะเราต้องการเราโทษจัดเขาเร า, เราเกลียดใครล้วก็อยากจะทำลงโทษเขาอยากจะให้เขาทุกข์อยากให้เขาไม่สบายแต่คนที่เรารักนี่เราอยากจะให้เขาสบายเราก็จะให้อภัยเขได้ง่ายนำถามสุดท้ายครับอาจารย์จากคุณทนานันท์ครับดวงชะตากำหนดชีวิตในปัจจุบันเป็นไปตามกรรมเก่าใช่ไหมเจ้าคะ ไม่นรอดวงชะตามไม่ดีหรอมันเป็นสิ่งที่เราสมมติกันขึ้นมาเองสิ่งที่กำหนดชีวิตของเราก็คือกรรทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ครับกรรมในปัจจุบันเป็นตัวที่ทำให้เกิดให้ทำให้ชีวิตเราเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งขอบคาดครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟ c e b o o หก1้อยสิบแปดคนอยู่ใน y o u ู u แปดร้อยี่สิบเจดคน ในคเพาสิบสามคนวันนี้มี เ, เพื่อนๆฟังธรรมด้วยกันหนึ่งพันสี่รอยห้าสิบแดคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับท่านทุกท่านที่มีความสนใจต่อการทัาธรรมต่อการปฏิบัติธรรมในหวังว่าการปฏิบัติการฟังธรรมนี้จะได้นำความสุขมาให้กับชีวิตของท่านทุกคนต่อไปการสนกนาธรรมสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมคกรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุ ข, ขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอฟ้าถูกขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้อ ง, อ ง, อ ง, องอก็คงเะลด้พบกันอีกในอาทิตหน้าเวลานึ่ขอเจริญพรกรขอบพระคุณพระ อ, อาจารย์ครับ